ก ร, รกาบ <an> ธรมรมสการ์พระครูสมณพุทธิรักษ์ธรรมสการสมณศิคามาทุกโลกนะครับจเจริญธรรม ท, ทุกๆ ท, ท่านนะครับที่อยู่ที่ห้องทรงห้องการเกล้าแห่งนี้นะครับที่สันติอโศกและท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านหรืออาจจะฟังทางรายการวิทยุหรืออาจจะดูในการใช้เทคโนโลยีด้านอื่นๆ อ, อยู่นะครับวันนี้ผมกฤษดาให้พนธุกุลนะครับต้องมีโอกาสได้มาจัด รายการธรรมธรรมะสงคามร่วมกับพระครูสมณาโพทิลักษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาจัดกันที่สันติอโศก ค, ครับประเด็นที่สาคัญนั้นช่วงนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าการบรรยายธรรมของพระครูนั้นจะเป็นเรื่องของการบรรยายธรรมและอธิบายธรรมเป็นเรื่องที่เรียกว่าเข้าสู่สภาวะภายในอย่างชั้นลึกมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นซึ่งถือว่า เป็นการอา ธ, าธิบายธรรมในชั้นปรมัตา์เอาสภาวะมาพูดมาคุยมาอา ธ, าธิบายแล้วก็ย่อยใส่เนื้อหาและรายละเอียดลงไปโดยเฉพาะประเด็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของสติปัฏฐาน4นั้นที่ผ่านมานั้นเราเราท่านๆ ท, ท, ทั้งหลายมักจะพูดอยู่เสมอว่าเราต้องทําการศึกษาเข้าใจในสติปัฏฐาน4แต่สติปัฏฐาน4เป็นเช่นไรละ่ะแล้วความเป็นไปนั้นลึกถึงขั้นอย่างไร เราจะอ่านภายในได้เป็นอย่างไรจากเริ่มต้นที่เราหลายๆท่านนั้นคงจะเข้าใจกันดีอยู่ว่าการศึกษาคำว่ากายการศึกษาคำว่าอายตนะและขันต่างๆองค์ประกอบภาพรวมทั้งหลายความเป็นไปโดยเฉพาะส่วนอย่างยิ่งนั้นถามว่าเป็นอย่างไรตรงนี้ถ้ามีการติดตามคงจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับประเด็นที่สำคัญวันนี้คงจะต้องให้รบกวนพรอครูท่านอธิบายเพิ่ม คำว่าสติและสติประญา น, นั้นเป็นอย่างไรอย่างไรถึงจะเรียกว่ามีสติเรามักจะพูดและเตือนกันอยู่เสมอขับรถให้มีสติทำอะไรให้มันมีสติคนเราไม่ค่อยจะมีสติสตังสตังอาจจะไม่มีก็พอรู้ครับแต่สติไม่มีเนี่ยบางทีมันก็ฟุ้งกันไปนะครับยกตัว อ, อย่างง่ายๆผมขับรถมาก็ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเวลาขับมาแล้วเอรู้สึกมันเริ่มอีกแล้วครับเริ่มสถานการณ์มัน จะมาทันไม่ทันเน้อจัดรายการเหมือนสติมันไม่อยู่กับตัวหรือเปล่าหรือว่าไอความเป็นไปของสตินั้นมันเป็นเช่นไรสติมันเป็นตัวกายหรือเปล่าครับหรือว่ากายมันต้องมีสติไอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะสับสนและสงสัยสิ่งที่เราเรียนรู้มาอยู่เสมอครับความเป็นไปในความเป็นกายนะครับกายนอกและกายไหนความเชื่อมโยงกายนอกแล้วเป็นอย่างไรอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราบอกต้องมีสติเพื่อที่จะควบคุมอารมณ์ได้ มันเกี่ยวสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรหลายคนบางทีก็เอออารมณ์ร้อนหรืออารมณ์โกรธหรือเกิดมีอารมณ์อะไรก็จะถูกเตือ น, นว่าให้มีสติให้มีสติกันแล้วเหล่านี้เหล่านั้นแท้จริงแล้วโดยในชั้นของปรมัตณ์นั้นควรจะเป็นอย่างไรเราควรจะมองตัวเราเองอย่างไรทําสติปัฏฐานสี่เริ่มต้นของความเป็นไปในในเรื่องในหมวดแรกก็คือมองในเรื่องของตายก่อนเป็นอย่างไรนะครับความเป็นไปของอ ปัสสะทะรูปนะครับแล้วก็ความเป็นไปในความเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก่อให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วกเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยพอเกิดมีอาการมันก็บางครั้งเราต้องเตือนตัวเองในความมีอารมณ์แล้วก็ความมีอาการตรงนี้แหละครับอาจจะเป็นประเด็นใหญ่ที่ผมถามไปทีเดียวเลยถึงแม้พ่อครูอาาธิบายวันนี้ไม่จบไม่สิ้นแต่วันหน้าท่านก็คงอาาธิบายต่อเพราะผมมีโอกาสถามแล้วก็ถือโอกาสถามแทนทุกท่านด้วยนะครับพ่อครูเกินยามยาวมาพอสมควรครับ อา <c oughs> อตมาตอนนี้ถ้าใครติดตามฟังธรรมะที่อาตมาบรรยายอาตมาจะเน้นในเรื่องของอาณาปานาสติกายคตาสติและอีกอันหนึ่งที่อาตมาเอามาร่วมด้วยเป็นองค์ธรรมที่อยากจะให้เข้าใจชัดเจนว่ามันเกี่ยวเนื่องกันอย่างสำคัญยิ่งคือสติ ปัฏฐา น, นาสติปัฏฐานสี่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติที่แท้จริงเป็นหลักการปฏิบัติที่แท้จริงของธรรมะพระพุทธเจ้าเลยใครจะปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่ไปใช้ภาษาความหมายคำว่าทำสมาธินี่เป็นคารวมคาใหญ่ครับที่เรียกผู้ปฏิบัติธรรมะของพุทธนี่จะต้องทาสมาธิ ต้องทำสมาธิไม่มีอะไรก็พอบอกว่าทำมาของเจ้าจริงๆมันก็มีศีลสมาธิปัญญาทีนี้ศีลพอบอกศีลปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าต้องมีศีลก็เข้าใจกันว่าศีลก็ศีลแหละศีลมันก็คือสิ่งหนึ่งดีใครมีศีลก็ดีแต่ถ้าใครจะปฏิบัติธรรมใครปฏิบัติศีลดีเป็นคนดีมีศีลดีมีศีลแล้วรมดี ทั้งทั้งทีศีลนี่แหละก็พาให้ไปไปนิพพานให้จิตเป็นสมาธิให้จิตบรรลุกิลกิเลสได้จริงๆนะเป็นอย่างนั้นแต่ความหมายของธรรมะพระพุทธเจ้านี่ได้เข้าใจอย่างนี้ไปแล้วต้องฟังที่อาตมาพูดตรวจสอบความความเข้าใจความรู้ของตนเองดีๆจริงๆใช่ไว่าตรงตามที่อาตมาพูดไหม พรทุกวันนี้เนี่ยแต่ละคนแต่ละคนส่วนใหญ่เลยเนี่จะเป็นนักปฏิบัติทำจริงจริงจังๆก็ตามหรือคนทั่วไปที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ตามที่พอเข้าใจธรรมะเนี่ ย, ยพอบอกว่าศีลเนี่ยอ๋อศีลก็คือดีใครมีศีลก็ดีศีลคือคนมีศีลก็เป็นคนดีทําให้เป็นคนดีแต่พอบอกว่าใครมีสมาธิก็ดี โอ้สมาธินี่ถ้าเผื่อว่าสมาธินี่มันก็ต้องปฏิบัติธรรมนะศีนีไม่ถือว่าปฏิบัติธรรมเท่าไรหรอกถือว่าทั่ ว, วไปอะ่ะคนเราคนมีศีนที่ไปศีนแลธรรมถ้าไม่มีศีลมันก็มันคนชั่วต้องตีศีนถึงคนดีก็เข้าใจศีลแต่แค่ว่าเป็นกุศลครับส่วนสมาธินั่นเข้าใจว่าเป็นเครื่องขัดกลาเกล็ดสมาธิเนี่ยเพิ่งเครื่องขัดเกลาเกล็หรือไม่ก็เป็น เรื่องของการทําใจสมาธิเป็นเรื่องของการทําใจเข้าใจอย่างนั้นส่วนปัญญาก็แยกไปอีกทีนึ่งเขาเข้าใจกันอย่างนั้นนะปัญญาก็เป็นเรื่องอะไรอะไรว่ากันไปปัญญาไปนั่งเรียนเอาไปท่องเอาจําเอาไปสอบเอาเป็นปริญญาเอกไปรุ่นอะไรอะไรก็คือปัญญาทั้งนั้นปัญญาคบปัญญาคิดอะไรต่างๆนานาก็ปัญญาทั้งนั้นอะไรต่างๆนี่เป็นต้นก็ ก็เข้าใจลุ่มหลวมป็นอย่างนี้ความจริงแล้วศีลสมาธิปัญญานั้นแยกกันไม่ได้กาปฏิบัติจริงแล้วแยกกันไม่ได้ศีลจริงๆแล้วศีลนี่เป็นกรรมฐานของการปฏิบัติธรรมศีลนี่กรรมฐานคืออะไรกรรมฐานท่านแปลไว้ว่านะกรรมฐานท่านแปลอย่างนี้ ซึ่งอาตมาลองอ่านจากที่ท่านผู้รู้ท่านแปลท่านแปลว่าอารมณ์ท่านแปลกรรมฐานนี่ว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งงานอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งงานการเจริญภาวนาหรือที่ตั้งแห่งงานทําความเพียรฝึกอบรมจิตกรรมฐานนี่นะหรือวิธีฝึกอบรมจิตหรือวิธีฝึกอบรมจิต ถ้าแต่ว่าอย่างนั้นกรรมฐานหรือกรรมมัดฐานในภาษาบาลีแต่ภาษามาเป็นไทยๆแล้วก็กรรมกรอกกอรหันมอเลดเป็นแบบภาษาของสันสกฤตฐานก็ฐานะฐานฐานะก็คือฐานะแต่ละบุคคล น, นี่แหละมีฐานะอะไรแล้วก็กรรมก็คือการกระทำนะเพราะงั้นฐานะของบุคคลแต่ละคนนี่ก็ก็ะทำมีงานหรือมีการกระทำตามฐานะนี่แหละ ให้เหมาะกับฐานนี่แหละคือกรรมฐานทีนี้ท่านก็ไปใช้ในการอธิบายลึกๆไปถึงขั้นใช้ในงานปฏิบัติธรรมะเจ่ปฏิบัติสมาธิเป็นต้นครับปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิก็ต้องมีกรรมฐานว่างั้นนะจริงๆแล้วคําว่ามีกรรมฐานนี่แหละคือศีลศีลนี่เป็นกรรมฐานของแต่ละฐาน Oh. แต่สถานะของบุคลคลครับบุคคลฐานะนี้ขนาดนี้เอาแค่สี่ห้า hmm. นี่คือกรรมฐานของบุคคลนี้ครับแล้วปฏิบัติศีลห้านี่แหละให้เกิดอธิจิตสิกขาหรือสมาธิปัญญาวิมุตต์ให้ได้ก็จะเป็นโสดาบัณฑ์คนนี้เหมาะสมตามสีลแปกรรมฐานก็มีสี่แปดนะ ก็ปฏิบัติศีนแปดนี่แหละให้เกิดอธิจิตสิกขาให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดมิมุตให้ได้อาคนนีสีนสิบทิฏฐินิทานน า, นาคามีนะ mm hmm. อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นความเข้าใจของอาตมาที่อาตมาเข้าใจต่าง mm hmm. กับจากผู้รู้ปราดเอกปราใครๆก็เลยแต่ที่เรียนกันมาอยู่ทั่วไปส่วนมากเนี่ยอาตมาเข้าใจอย่างนี้และอาตมาก็ พาปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วก็เกิดมากเกิดผลอย่างนี้จริงๆเป็นปรมัตา์เป็นโลกุตรธรรมด้วยครับขอยืนยันว่าที่อาตมาพูดนี่ปฏิบัติศี้นห้านี่เป็นโลกุตรธรรมปฏิบัติศีลนแปก็ต้องเป็นโลกุตรธรรมปฏิบัติศี้นสิก็ต้องเป็นโลกุตรธรรมเพราะมรรคผลของศาสนาพุทธนั้นเป็นโลกุตรธรรมแค่โลกียะนั้นเป็นความหมายทั่วไปของ ธรรมะหรือว่าแม่แต่ไม่ต้องเรียกว่านักปฏิบัติธรรมหรือว่าถือว่าศาสนาทั่วไปก็คุณธรรมด้ือว่าธรรมดาหรือความหมายเมื่อกี้ที่พูดศีลธรรมเนี่ยมีศีลธรรมมีคุณงามความดีมีความดีไ ม, ไ, มไม่ใช่ไม่จะเป็นคนเลวเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสื่อสั์สุจริตสรุปง่ายๆทํำแต่สิ่งที่เดียงว่างา ม, งา ม, งามไม่ได้หมายลึกเข้าไปถึงความเป็นปรมัตาหรือความที่ลึกถึงผล ถึงการเย็ดทำให้แก้ไขทั้งพฤติกรรมกายวาจาและใจศนะาสนานี่ปฏิบัติให้ถึงใจและเป็นหลักกายวาจาเป็นเบื้องต้นในการที่จะควบคุมระมัดระวงังสงวนให้ได้มันก็เป็นผลต่อสังคมเป็นผลกับการอยู่ร่วมกับสังคมนะที่ปฏิบัติกายกวาจาสุจริตกายกวาจาเป็นคุณงามความดีได้ก็เป็นผลดีต่อสังคม จริงๆก็คือเป็นผลดีต่อผู้อื่นครนะทว่าไปแล้วส่วนการปฏิบัติให้ เ, เกิดคุณธรรมให้เกิดผลถึงใจอันนี้เป็นประโยชน์ส่วนตนเป็นประโยชน์ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงจิตใจเลยขออภัยมันจะเป็นเปลี่ยนแปลงจิตใจนะั้นแน่นอนอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงจิตใจจะมีอิทธิพลถึงกายวาจา หรือการงานทั่วไปเลยอยู่ในมรรคองค์8นะี่คือวาจากรรมตะอาชีวะซึ่งทางใจก็คือสังกัปปะปฏิบัติสังกัปปะนี่เรียกว่าทางใจต้องแยกว่าอย่างสี่อันในมรรคองค์8ที่เป็นศทฤษฎีหลักใหญ่ของพุทธศาสนาเลยนะตัวปฏิบัติจริงๆก็อยู่ที่ สังกปะว่าจากกรมมตะอาชีว ะ, ะสี่อันนี้นะและสีอันนี้เป็นสมังคีเป็นองรวมมันไม่ได้แยกกันเพราะถ้าปฏิบัติจริงก็ปฏิบัติให้ไปถึงสังกปะให้ปฏิบัติไปถึงจิตปฏิบัติศีลก็ให้ถึงจิตให้เกิดอธิ จ, จิตศิกขาเปลี่ยนแปลงจิตได้ ศีลสมาธิปัญญาก็รู้กันอยู่แล้วแต่ไปแยกศีลนวะ่าปฏิบัติรกบรมกายวาจาเซนแรกก็ไปหลงผิดเขาเอว่าพอัฏมาใช้ภาษาชัดสำหรับอัตมาเลยนะว่าชัดว่าผิดเพราะอัตมาเห็นว่าผิดจริงๆคือสมาธิก็แยกไปปฏิบัติอีกต่างหากตัดขาดไปจากศีลคนละส่วนนะพอเวลาคำอธิบายในธรรมะในปฏิปิกในหลักฐานก็มีอยู่ว่าศีลเป็นาฐานของสมาธิ ก็พูดนะสิ่นในบาดฐานของสมาธิแต่เวลาปฏิบัติจริงไม่ได้เป็นบาทฐานเลยก็พยายามปฏิบายให้เป็นบาทฐานคือปฏิบัติสิ่ปฏิบัติหลักเกณฑ์นะปฏิบัติอย่างยอดโยมเนี่ยศีน่าก็ปฏิบัติศีน่าเสร็จแล้วจะไปสมาธิก็ไปหาอาจารย์อาจารย์นั้นนี่ใไหนก็ไปปฏิบัติสมาธิก็เป็นนางอย่างนี้เป็นต้น คือแยกกันชัดเจนมากเลยว่าศีลกับสมาธินี่แยกกันชัดเจนสมาธิก็คืออธิศีนสิกขาปฏิบัติศีลไม่ได้เป็นผลเป็นอนิสงส์ตามที่พระเจ้าจทันตรัสไว้ชัดเจนแล้วว่าศีลที่เป็นกุศลนานจะก่อให้เกิดอริยะหรือ ก, ก่อให้เกิดทําเป็นอรหันต์ท่านตรัสความเป็นอรหั น, นต์นหนให้บริบูรณ์โดยลําดับ ในกิมมติยาสูตรมันจะมีดอกได้ยี่สีคนหนึ่งก็ขอองร้แปดเนี่มาจำได้ชัดท่านตรัไว้ชัดเลยว่าศีลเนี่ยปฏิบัติแล้วอนิสงค์คือผลคือประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบัติศีลจะได้พระไปเป็นเป็นอรหันต์โดยลําดับทัานเกิดมีรายละเอียดว่าทําให้เกิดจิตอวิปปิสารให้เกิดจิตปาโมตให้เกิดจิตปิติให้เกิดจิตปสัสสติให้เกิดจิตสุข ให้เกิดจิตเป็นสมาธิเป็นยะถาปุตยานอะไรเป็นต้นจนกระทั่งถึงมิมุติยานทัศน ะ, ละไล่เรียงกันไป10หลัก10ข้อ น, นิพิทายานนิปติยานทัศนะถ้าไม่แยกนิพิทาวิราคะถ้าไม่แยกสองตัวนี้ออกไปร ว, เวมเมื่อไหมันก็จะเรืองก้าแต่ถ้านับแยกนิพิทาตัวหนึง่งวิราคะตัวหนึง่งแล้วกับมิมุติยานทัศนะอีกตัวนึงก็จะ10บในมิมุติยานทัศนะนะนครับ เพราะนตามปฏิปิบดกตามพระอนุสาสนีเดี๋ยวนี้เนี่ยเอามาตรวจสอบจะเห็นชัดเจนว่าปฏิบัตทิทำกันไม่เข้าตามคําสอนพระพุทธเจ้าไปเอาคำตามอาจารย์ไปเอาปฏิบัติตามคําสอนอาจารย์อาจารย์รุ่งหลังที่เพี้ยนไปตัวข้อพายอิทีิอัตมาต้องบอกว่าเพี้ยนไปตามกวามเห็นองตมาอัตมาเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพูดเช่นนี้นะก็ไปเอาตามอาจารย์อาจารย์สอนสอนตามหลังที่มันเพี้ยนไปเพี้ยนไปเพี้ยนไปก็เป็นเช่นนั้นนะ คำว่ากรรมฐานนี่แหล ะ, ะท่านแปลว่าอารมณ์ที่ตั้งแห่งงานการเจริญภาวนาความหมายนี้อาตมานแน่ชัดฟังความฟังคำพูดและฟังคําแปลแล้วก็ชัดเจนว่ากรรมฐานเนี่ยเอาละให้เกิดอารมณ์ให้เกิดเวทนาอารมณ์นี่คือคําว่าเวทนาความรู้สึกกรรมฐานคืออารมณ์ หมา ย, วยวาถึงวัฒกรรมฐานนี่นะจะปฏิบัติธรรมออกรรมฐานนี่เป็นที่ตั้งแห่งการงานเจริญภาวานาฟังแล้วอาตมาเข้าใจตามภาษานี้ว่าก็คงหมายถึงตั้งอารมณ์ไว้อย่างหนึ่งเป็นที่ตั้งจะเป็นอารมณ์อย่างไรก็เอาที่อารมณ์ครับเอาที่อารมณ์นั้นนะซึ่งเป็นคํำกลางๆนะที่ตั้ง อีกอันนึงท่านยขยายความว่าที่ตั้งแห่งงานทําความเพียรฝึกอารมณ์จิตฝึกอบรมจิตที่ตั้งแห่งงานทําความเพียรฝึกอบรมจิตก็หมายความว่าเป็นที่ที่จะต้องยึดไว้ที่ตั้งแห่งงา น, <glaube S 1> ง, านงานคือกันจะเกิดบทบาทที่จะต้องกระทําอยู่ในนั้นน่ะก็หมายถึงการทําใจในใจเท่านั้นทําความเพียรฝึกอบรมจิตทําใจในใจเท่านั้น หรืออีกอันนึงเขาบอกว่าวิธีฝึกอบรมจิตกรรมฐานคือวิธีฝึกอบรมจิตครับอาตมาไม่แยง้งการสรุปแล้วว่านี่ก็หมายความว่ากรรมฐานนี่หมายถึงการกระทําที่ให้เกิดผลที่จิตให้เกิดผลที่จิตแต่อาตมาขยายความว่ากรรมฐานนี่หมายความว่ากระทําตามฐานะหรือฐานะบุคคลที่จะกระทำํำตามที่เหมาะที่ควร เพราะฉะ น, นั้นผู้ไดจะกระทําการกระทํานี่ก็คือการงานถ้าการงานในการประพฤติธรรมเพื่อให้เกิดจิตตามที่แปลว่ากรรมฐานนี่คืออารมณ์ที่ตั้งในการภาวนาหรือแห่งการทำความเพียรฝึกอบรมจิตหรือปวิฝึกอบรมจิตอะไรนี่ก็หมายความว่าจะต้องทำจิตทําใจในใจนี่ให้มันเกิดผลเป็นสมาธินี่แหละเอาเข้าเป้าเลยนี่แหละให้มันเข้าเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นวิมุตินี่แหละ ที่ความหมายชัดๆนะอาตมาว่ามันมันมันตรงมันชัดก็ก็เข้าใจชัดเพราะงั้นกรรมฐานนี่ก็เลยเป็นหมายถึงไกลออกไปจากคาว่าศีลอที่อาตมาว่ากรรมฐานนี่แหละจริงๆก็คือศีลนั่นแหละกรรมฐานนี่คือศีลท่านก็ไปแปลกรรมฐานนี้ไปเป็นอารมณ์แล้วก็เลยไปแปลเป็นเช่นมีกรรมฐานว่าพุโทโธ กรรมฐานว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นครมาฐานเป็นอารมณ์หรือเป็นที่ตั้งแห่งางานที่จะเจริญภาวนาที่ตั้งให้การทำความเพียรก็ใช่พุทโธใช่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือการหมายถึงให้เกิดการอบรมให้เกิดจิตวิธีฝึกอบรมจิตให้เกิดจิตกรรมาฐานไม่เกี่ยวกับศีลเลยแต่ตมนี่หมายถึงศีล กรรมฐานนี่แปลว่าหมายถึงศีลแล้วก็มีกรรมฐานแล้วก็เวลาปฏิบัติธรรมองพุทธเจ้าก็ปฏิบัติธรรมตามโพธิบัจจคีธรา37เมื่อมีศีลหรือปฏิบัติตามจรณะ15วิชาต่อจรณะสิ้าวิชา8ก็เริ่มต้นศีลจรณะสิแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติที่ไม่ผิดอีกสาอภณิกับปฏิปทา ก็สั ง, สงรสบุรินทร์สี่โพชเชนีมตตยุตตาชาคริยานโยคะปฏิปทาสนั่นคือการปฏิบัติสข้อนี้แหละปฏิบัติอันนี้แหละคือวิธีปฏิบัติทั้งหมดหนั่นปฏิบัติไม่ผิดก็ท่าสรุปเอาไว้ถ้าอยู่ในความหมายของสข้อนี้สบุรินทรียหกโพชเชนีมตตยุตาก็ในสิ่งที่อุปโภคบริโภคที่คุณเกี่ยวข้องแล้วก็ให้เป็นคนตื่นคนตื่นก็คือคน ปฏิบัติจิตให้พ้นจากความหลงที่อยู่ในโลกีตื่นหลุดออกมาพ้นออกมาหลุดพ้นออกมาเนตขมะออกมาจากโลกีเป็นคนตื่นถ้าจะหมายความง่ายๆจตื่นก็ตื่นก็คือไอ้นอนหลับกับตื่นจากหลับมันตื่นอย่างนั้นก็ได้อธิบายงั้นก็ได้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนตื่นตื่นตื่นอย่างนั้นเท่านั้นนะ ก็เป็นคนที่จะต้องมีความรู้สติสัพพัญญะเต็มแล้วก็รู้จากอะไรทุกอย่างที่องค์ประกอบร่วมอยู่ข้นอกข้างในเป็นคนตื่นเต็มไม่ใช่เป็นคนห ล, ลีอยู่เรื่ อ, ห ล, ลอหลับเข้าไปหลีเข้าไปอยู่ในภพนะหลับเข้าไปหลีเข้าไปอยู่ในภพนั่นแหละคือคนไม่ตื่นแล้วเราจะหลีอยู่ในภพแล้วหรือแม้แต่คุณลืมตาคุณเปิดทวารทั้งห้าแต่เสร็จแล้ว คุณกลับไม่ตื่นจากความเมาโลกีเมาลาบยศสันเสริญเมาโลกียสุขครับกามสุรืออัตตะทะสุขอยู่างนี้เป็นต้นคุณก็เป็นคนไม่ตื่นไม่ชากที่ยาอะไรขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้ น, นสรุปแล้วแต่มาก็แทรกขึ้นไปมากว่าตั้ ง, งใจว่าพูดคำบรรฐานเป็นศีลและเวลาปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลศีลเป็นบาตรฐานของการปฏิบัติ ให้เกิดสมาธิก็ <c oughs> พูดกันนะก็ อ, อธิบายกันอยู่แต่พอเอาจริงๆแล้วไม่ได้เป็นบาตรฐานในศีลก็ปฏิบัติให้ให้ควบคุมกายวาจาแต่พอจะทําให้ใจมันเจริญเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นวิมุติเป็นผลทางใจที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติศีลก็เป็นศีลธรรมโล ก, โลกะควบคุมกายก็วาจา <c oughs> ไม่ใช่การบรรลุธรรมแต่คุณงามความดีเป็นกัลยาณธรรมของคนทั่วไป มีศีลธรรม ก, ก็ดีเป็นผลทางสังคมแต่ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติเข้าไปถึงจิตจริงๆต้องเป็นนั่งสมาธิสมาธิต้องนั่งต้องนั่งเข้าไปอยู่ในผวังอันนี้อาตมาจะต้องแก้ไขไปอีกจนตายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อาตมาก็พูดเรื่องนี้มาตลอดแต่ตอนนี้เน้นสําคัญเลยเพราะว่าพอเรามีบาตฐานเข้าใจกันดีสรพุทที่ใหม่ก็อาจจะเออนี่มาพูดนอกเรื่อง ครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนไม่เคยเรียนมาหลายคนก็เรีมาหลายอาจารย์มากมายไม่เคยมีสอนแบบนี้ไม่เคยมีพูดอย่างนี้ไม่เคยมีก็ไม่เป็นไรก็ฟังเอาอาตมาก็เสนอความเห็นของอาตมาด้วยความจริงใจปรารถนาดีไม่ได้มาแข่งแย่งมีอำนาจมาอวดดิบวดดีแต่ต้องพูดว่าถูกอันนั้นผิดอาตมาบอกแล้วอาตมาจำนนอาตมาไม่พูดอย่างนั้นไม่ได้เท่านั้นเอง แต่เมื่อท่านเข้าใจไปอย่างนน้นถูกท่านจะไปชอบทางโน้นเอาทางโน้นท่านฟังที่อาตมาพูดท่านกว่าผิดก็ไม่เป็นไรนี่มันเป็นสิทธิเป็นอิสระเสรีภาพของแต่ละคนไม่มีปัญหาอะไรก็นี่เป็นความสแสดงความเห็นตา่างความเข้าใจตา่างก็ให้ชัดเจนวันนี้ก็แล้วกันไม่ใช่อาตมามาแข่งแย่งเอาเด่นเอาดังเอาถูกเอาอะไระอะไรอาตมาก็ต้องย้ํายืนยนันจากตําราจากพระไตรปิฎกจากอะไรต่างๆ ว่อย่างนี้มันตรงกับคำสอนพระเจ้านะอธิบายตื่นลึกอะไรว่ากันไปจนมากมายก็เพื่อที่จิตยืนยันในเห็นว่าอตาตมาไม่ได้พูดเอาเองอตาตมาไม่ได้ออกนอกรูนอกทางนะแต่ท่านาออ ก, กนอกนูนอกทางกันอตาตมาก็ต้องพูดจริงๆเมื่อไปเจอเอาไอ้ที่มันออกนอกจากคําสอนพระเจ้าที่อธิบายกันไปแล้วพูดกันไปแล้วมันก็ไปคนละเรื่องอะไรงี่เป็นตน้นนะเพราะงั้น เมื่อจะปฏิบัติธรรมเมื่อกี้อาจารมาบอกเมื่อถือศีลห้าเป็นต้นครับเวลาเราจะปฏิบัติธรรมก็พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นนั่งต้องเป็นต้องเป็น น, นั่งหลับตานณปฏิบัตินั่งหลับตาก็ได้แต่นั่นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านอุบเอามาใช้ประกอบไม่ต้องใช้เลยก็ได้ะะซึ่งอาจาก็มีหลักฐานยืนยันอธิบายหมดในบุคคลสี่อย่างนี้เป็นต้น ผู้ที่ศึกษาตรงของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เป็นโลกุตระโลกุตระก็คือมรรคผลของาศาสนาพุทธโดยตรงเลยส่วนบุคคลบางคนนั้นไม่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมบุญเจ้าทีเดียวได้แต่สมถะเจตวสมถธิคือตั้งสมาธิได้แต่เจโตวสมถธมรรคผลของาศาสนาพุทธไม่ได้คือโลกุตระไม่ได้ครับบุคคลบางคนซึ่งบุคคลสี่นี้นั้นรัดไม่ชัด ผู้ที่ได้แต่โลคุแต่สมถะผู้ที่ได้โลกุตระได้แต่โลกุตระไม่ได้เจโตสมถะนั่นคือไม่ได้ปฏิบัตินั่งสมาธิหลับตาก็าไประวังจิตสมถะแบบนั้นไม่ได้ต้องรู้ว่าโลกุตระกับเจโตสมถะที่ท่านหมายเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคืออะไรถ้าเขา้าใจไม่ได้มันก็าอ่านไม่รู้เรื่องเจโตสมถะจิตสงบยังไงยไหมจิตสงบ ได้จิตสงบจริงๆแต่ไม่ได้อาริยธรรมไม่ได้โลกุตรธรรมโลกุตระไม่ได้โลคุตระธรรมไม่มีปัญญาทางโลกุตระส่วนบางคนที่สานั้นได้ทั้งสองอย่างนั่งหลับตาด้วยอยากเป็นสมาธิิแล้วก็ได้ทั้งโลกุตระด้วยส่วนบางคนที่สีนั้นไม่ได้เลยเลยอย่างคนทั่วไปในพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ทั่วไปไม่ได้อะไรเลยนั่งเจโตสมาธินั่งหลับตาสมาธิก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทําได้รับไม่ได้เรียน ทำกันเล่นๆหัวอะไรไปยิงโลกุตระและ้วอาตมาพูดไปหลายทีแล้วนะว่าแทบจะไม่มีแล้วนะขออภัยจริงๆนี่เป็นความเห็นของอาตมาอย่างจริงใจงจริงๆนะอาตมาแทบจะไม่มีนะเพราะว่าแหมพูดไปแต่จะพูดต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องอแต่เอาละอาตมาก็ปูนีแล้วเนาะ อายุก็ยาวแล้วแต่ไม่ยอมแก่นะไม่ยอมแก่นนั่นนะท่านเอาหลักฐานมายืนยันข้อร้อยสาสบเจ็ดเล่มสิบม็เจนเบโร่เล่มสิบกับข้อห้ารอยี่สห้ามันมีอยู่บุคคลสี่ก็มีบุคคลเจ็บุคคลเก้าอะไรมันมีอยู่เหมือนกันแต่เฉพาะท่านตัดไว้แต่บุคคลสี่ก็มีอย่างเงี้ยเล่มสิบเออมาเจนอยู่ในเล่ม ไอโนนเน่ะเล่มอะไรตั้ง30ก <36. S 1> ว่าสามสิบหกข้อสิเล่ม36ข้อ10ข้อ10อ๋อข้อสิขอเอาไปเล่ม36ข้อ10ข้อ137ข้อ5้าร้อยยีมีอยู่หลายที่ไงทีๆบางคนสี่ตัวนั้นบุคคล7บุคคล9กาบุคคลเอะไรพวกนี้มีและแล้วก็4คนนี้เป็นลำดับต้นไงนอกนั้นก็รื้อรวมไปทั้งโสดาสกิทานาคาทั้งไรมานะ อเอาต่ออีอกเลยเว้ยไปท้งโ น, น้นคือวันนี้พ่อครูครับมันดูเหมือนว่าเวลาบอกว่าเรานั่งเนี่ยครับทำสมาธินั่งวิปัสนากรรมฐานเนี่ยดูเหมือนมันจะไปคิดในเชิงอิทธิปฏิหารไม่ใช่อนุสาสนีปฏิหารดูเหมือนถ้าทำแล้วมันจะเกิดพลังมีความแก่งกล้ามีอะไรเป็นอย่างนั้น คำว่าอนุสาสนีปฏิหารที่คุณพูดนี่แหละมันถูกต้องเป๊ะเลยนะเพราะว่าคําสอนพระเจ้าอนุสาสนีแปลว่าคําสอนพระเจ้าครับมันไม่มีผลยิ่งใหญ่ปฏิหารไม่มีผลที่มันน่ายกย่องบูชาปฏิหารน่าทึ่งน่าอัศจรรย์ปฏิหารมันไม่เป็นมันไม่เป็นตรงที่มันไม่ขัดเกลากิเลสจริง มันไม่ได้เป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิมันไม่เป็นโลกุตระมันไม่เป็นอริยะนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเดียวกว่าพระอนศาสนีมันก็ไม่มีปฏิหารเป็นอนุสาสนีมันก็ไปเป็นปาฏิหารอย่างที่คุณพูดนะเป็นอิทธิ ป, ปาฏิหารเป็นอัเทศนาปาฏิหารไปะนะมันไม่เข้าเรื่องมันไปได้คนละเรื่องคนละราวกันแล้วก็เป็นหลงอยู่จิต ก, กับพผลอย่างนั้นครับนะ เพราะนั้นอาตมาพูดขยายความไปเนี่ยจนกระทั่งเมื่อกี้กาลังพูดอยู่ว่าไม่อาตมาพูดนี้มันจะใหญ่ที่ทิ้งไว้เมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้พูดต่อแวะออกนอกไปนิดนึงที่ว่าถ้าอาตมาจะพูดต่อไปว่าเดี๋ยวนี้ที่อาตมาต้องพูดจังนะเพราะว่าอาตมาด้วยความจริงใจและด้วยพูดปัญญาของอาตมาคนอื่นจะแล้วแต่นะท่านจะเห็นยังไงก็แล้วแต่อาตมาเห็นว่าอริยะในคนที่อาตมาพอรู้พอเข้าใจพอ สามารถสัทราบได้ในคนไทยนี่แหละที่ปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยแล้วยกย่องกันเป็นพระอระหันต์ก็ดีเป็นพระอริยะก็ดีต่างๆที่ประดาที่ท่านยกย่องกันทั้งนั้นอาตมาจะพูดที่จะต้องขออภัยอย่างยิ่งก็จริงๆอาตมาว่ามันไม่ได้ตรงตามอนุสาสนีย์ปฏิหาร <c oughs> ไม่ได้ตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าครับอนุสาสนีมันไม่ได้ตรง ไม่ได้เป็นอริยะไม่ได้เป็นอรหันต์ตามอนุสาสนีมันเป็นเรื่องได้อิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์จริงๆแล้วก็ไปได้เจโตสมถะเป็นหลักได้นิโรธแบบเจโตสมัฏฐมันไม่ได้เป็นนิโรธที่เป็นนิโรธที่รู้จักกิเลสแล้วก็เห็นความจางคลายของกิเลสด้วยอภิปัญญาศิกขาในขณะปฏิบัติไปก็เห็นใจในใจ เห็นจิตในจิตตามสติปัฐานสเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมะเป็นโลกียธรรมเป็นโลกุตระธรรมเป็นต้นเห็นชัดๆว่าเออโลกียธรรมเป็นอย่างนี้เช่นเห็นมโนปวิจารณ์สที่เป็นเคหสิตะเวทนานั่นมันโลกียะเป็นธรรมะโลกียะที่ตั้งอยู่ในฐานจิตของเราเรียกว่าธรรมะ เห็นว่าเราปฏิบัติเนคขมะสิตาเวทนาได้เนคขมะได้จิตข้าน่าก็ออกมาจงกระทั้งสามารถยังลงตั้งลงเป็นธรรมะเรียกว่าจิตข้านามีธรรมะตั้งลงเนี่ยแล้วก็ท่งไว้จิตจิตเนี่ยเรียกว่าธรรมะเห็นอ่านจิตอ่านเวทนาออกแยกเวทนาในเวทนาเป็นเคหัสิตาเวทนาแยกเวทนาออกเป็นเนคขมะสิตาเวทนาชาติแล้วก็อ่านจิตในจิตออก สราค้ก็รู้สทศกุลสโมหะรู้สราคะเป็นอย่างนี้อ่านสภาวะของสราค้เกิดอยู่หลักๆในใจเราแล้วก็ทําให้กิเลสราคะของเราจางคลายลงได้ไปสู่วีตราคะลงไปจริงๆจริ ง, ร ง, รงตามลําดับขั้นจะเป็นอ ะ, อะไรหรอสังกิตังจิตตังวิกิตังจิตัง จิตที่มันระดับที่บบทําได้อยู่แต่มันยังคุนแค่นยังกระจายไม่ออกหรือว่ามันกระจายฟุ้งจับไม่กับจิตเป็นวิกฤตต่างจิตตั้งก็แปลว่าจิตหดหูกับจิตฟุ้งซ่านมันก็ลักษณะนั่นแหะแต่ว่ามันมีลักษณะสภาวะของทวาตมาเอาสภาวะมามาม า, มาขยายความมาแปลสู่ฟังที่อาตมาว่าอาตมาแปลธรรมะโดยยานยานที่อาตมาเห็นสภาว ะ, ะไม่ได้เอาพยัญชนะเป็นหลักอตามที่ อาตมาว่าอาตมาแปลพยัญแปลบาลีด้วยยานไม่ได้แปลวลีด้วยพยัญชนะโดยภาษาที่เรียนกันเท่านั้นเนี่ยท่านก็ฟังก็ไม่เข้าใจหาว่าอาตมาแ ป, แปลบาลีด้วยยานก็ไปเป็นเรื่องลึกลับอะไรเรื่องโมเมเรื่องเดาๆดาดนๆอะไรท่ราจจนก็เข้าใจเป็นอย่างงนเป็นเรื่องลึกลับอะที่จริงเป็นเรื่องชัดที่สุดด้วยซ้ำไม่ใช่ไมยย่ใช่เรื่องลึกลับแต่อาตมาว่าอาตมาแปลด้วยยานคือเอาฐานรู้ของอาตมายานปัญญาของอาตมานี่อ่านสภาวะที่มี อยากพยัญชนะด้วยซ้ําไม่ได้ไปแปลพยัญชนะตามหลักไวยากรณ์ครับไม่ได้แปลอย่างนั้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอาตมาแปลภาษาบาลีหรือภาษาธรรมะผิดไวยากรณ์ผิดอะไรท่านท่านกดทึกตอีอาตมาทิ้งหมดเลยแต่อาตมาไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนกันอย่างนั้นอาตมาตรงนี้ขออภัยแวะนิดหนึ่งเดีย๋ยวค่อยไปหาเรื่องก็เข้าเ ข, ข, ข, ข้าเรื่องไม่จะไปหาเรื่องแมพูดเสียหายเลยภาษาไทย อ่าเขาเขาเขไปเข้าหาเข้าหาเรื่องราวชัดๆไม่ใช่ไปหาเรื่องพูดสั้นเสียเลยนะคำว่าไม้เอาไม้เอาสภาวะหรือด้วยญาณด้วยความเข้าใจด้วยญาณปัญญาเรารู้จักสภาวะแล้วก็ตีเข้าหาสภาวะเลยไม่แค่ภาษาครับเช่นพร ะ, ป, ระป่าปพระบรรณอกบรรนอกองคหนึง่งท่านสอน ท่านสอนภาษาบาลีท่านก็แปล ง, ง่ายๆทว่าเออกัธรรมะพระพุทธเจ้านะ่ยท่านสอนให้ตัดซะตัดสาพระอีสานพระอีสานก็ท่านสอนอยู่ตัดสาตัดสานโมตัดสานโมตัดสาปะขวะโตตัดสาตัดสาตัดซะอ่าตัดซะท่านก็หมายถึงสภาวะ ถ้าไม่ได้แปลอย่างพยัญชนะที่เป็นไวยากรณ์ภาษาวากนยสัมพันธ์สัญลักษณ์อะไรเลยท่าไม่ดีคํานึงเลยท่านแปลนี่แหละแต่แปลด้วยญาณแปลด้วยความรู้ลึกๆของท่านมาเนี่ยถ้านใช้ภาษาสามัญปัจจุบันใช้ภาษาสามัญที่ตีเอาความอ่ะถ้าไม่รู้มันจะแปลอะไรจริงๆก็ไม่รู้่ก็มันเสียงมันบอกว่าตัดซะท่านก็เลยแปลมันดื้อซะตัดซะอย่างนี้เป็นต้นนี่ยกตัวอย่างให้ชัดชัด เพราะงั้นถ้าเผื่ว่าไม่เข้าใจจุดหมายแท้ๆที่ท่านหมายนะว่ามันเข้าเนื้อธรรมะหรือมันไปผิดที่พยัญชนะเท่า น, นั้นไปถือสาผิดพยัญชนะแต่ท่านแปลเข้าเนื้อหาเลยนะเนี่ยเอออันนี้น่าจะน่าจะบิพิจารณาบ้างว่าควรตีท่านหรือเปล่านะอย่างนี้เป็นตน้นเอากลับไปสู่เรื่องเมื่อกี้ ที่อาตมาบอกว่าอาตมามองไปแล้วที่ท่านบอกว่าบรรลุธรรมเป็นอริยะเป็น อ, อรหันอะไรกันอาตมาเรีนมันไม่เป็นอนุสาสนีปาฏิหารมันไม่ไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาแต่ต้นตรงนี้แหละคำว่ากรรมฐานเนี่ยอาตมาว่าไม่เป็นไปตามธรรมะไม่เป็นไปตามอนุสาสนีคำว่ากรรมฐานที่อธิบายกันมาเมื่อกี้นี้ท่านแปลมาก็ตามเป็นความหมายถึงตีปังก็ไปสู่ ฐานจิตเป็นสมาธิเป็นต้นกรรมฐานหมายถึงไปทําสมาธิตัดศีลออกไปเลยอาตมาก็มาอธิบายว่าไม่ใช่ศีลเป็นบาทฐานของจิตเป็นบาดฐานของสมาธิเพราะกรรมฐานก็คือปฏิบัติตามฐานนะต้องมีศีลนี่แหละเป็นฐานแต่ละบุคคลคอาตมาก็ พระุเจ้าหมายถึงอย่างนี้อาตมายืนยันว่างั้นนะเป็นความเห็นของอาตมานะมันไม่ตรงกับอาจารย์ที่จะสอนมาต่อกันมาร้อยปี200รอปี500รอปีก็แล้วแต่แล้วก็ถือยืนยันกันอย่างนั้นท่านก็ว่าไปแต่อาตมาอาจจะโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แต่ไม่ได้มาจากคุมนรกหรนะอกอาตมาว่าอาตมามาจากที่ที่ดีแล้วก็มาสอนนี่ว่าถ้ากรรมาฐานนั้นหมาถึงศีลของแต่ละฐานนะเป็นมาตรฐาน คำว่าบาตรฐานนี่ก็คือฐานเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานของแต่และฐานะของบุคคลที่จะปฏิบัติเมื่อมีศีลข้อ น, นี้แล้วก็ปฏิบัติไปตามจรณะ15อย่างที่ว่าหรือศีลสมาธิปัญญาที่ว่านะหรืออีกยะในปฏิปีรลเล่มก่าวนี่ศีลก่อ น, น, น, นแล้วก็ปฏิบัติทําทั้งนั้นแหละศีลนั้นก็ปฏิบัติศีลสํารว์อินทรีย์แล้วก็มีสติปัญญา ม, ม, มีสำรวจวิมีมีสติปัะทามีอริยสี่ะหนึ่งศีเป็นอริยสองสติเป็นอริยสามสำรวจวินีเป็นอริยสี่สันโดษเป็นอริยมนี่เป็นต้นแล้วกว็เป็นฌานก็นี่ไล่กันมาเป็นฌานก็ปฏิบัติศีลสำรุจอินรีแล้วก็มีสติสัพพัญญจนสันโดษ แล้วก็เป็นฌานแล้วก็เป็นปัญญาเป็นวิชักวิชาแปดนี่ในพระเจิดกเล่มเก้านี่ยกเว้นสูตรที่หนึ่งพะมชารสูตรจากสูตรที่สองยันสุดท้ายเมือ่อละหมดอธิบายอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเป็นหลักปฏิบัติแท้เลยของศาสนาพุทธนี่คือพระอนุศาสนีหรือเอาให้ชัดตีกระเป๋าที่พูดเป็นหลายทีแล้ว เมื่อคุณมีกรรมฐานคุณมีศีลห้าเวลาจะปฏิบัติคนก็ตั้งหลักปฏิบัติกายคตาสติอาณาปานาสตินี่แหล ะ, ะเวลาปฏิบัติก็ต้องมีสตินในมรรคองคแปดก็มีสติในโพชฌงเจ็ด ก, ก็มีสติ ขึ้นต้นของโพธิปักจัยธรรมข้อแรกก็สติปัฐานสี่เมื่อปฏิบัติสติปัฐานสนะเอาโพธิปัจจัยธรรมเจข้อมาขึ้นอินเสิร์ตลองดูซิจะเห็นว่าข้อแรกกับถึงข้อสุดท้ายเราจะมาจะอธิบายเป็นปฏิสัมพันธ์ในเป็นเป็นรอยมาลัยให้ฟังตรงนี้เมื่อผู้ที่จะปฏิบัติ ก็ปฏิบัติกายคตาสติกับอาณาปานาสติจริงไม่มีในคำคำอยูในโพธิปักเยธธรรมไม่มีครับแต่เวลาปฏิบัติก็คือโพธิปักยธธรรมสาสเจ็ดนี่แหละเป็นความเป็นโลกุตระตามที่ยืนยันในฟังแล้วในปฐปินดกเล่มสสิเอ็ดข้อหก0อยี่สิบครับยังจำได้อยู่อันนี้ยังจำได้อยู่ว่าท่านตัดว่าโลกุตระธรรมนั้นมีสี่หก คือมีโลกุตรธรรม9ก้ที่เป็โซดาบันบุคคลจนกระทั่งถึงอรหันต์เป็นมักเป็นผลโสดาก็สองสกิทาก็สองอนาคาก็สองอรหันตก็สอ ง, แ ล, สองและก็นิพพา น, นก็เป็น9นี่คือโลกุตรธรรม9ทําให้ได้เป็นตั้งแต่เริ่มต้นมักไปจนกระทั่งถึงบรรลุสูงสุดเป็นนิพพานเป็นอันที่9ไปตามลําดับ ทีนี้อีกอันหนึ่งท่านบอกว่าโลกุตระมีอีก37นอกจากเก้านีก็คือโพธิปักกียธรรม3า37ก็จากโพธิปักเียธรรมโพธิปักกยรธรรมเจข้อสติปทานสี่มีสติทัดๆนะในอินทรีห้าพระห้าก็มีสติเป็นผลตามลำดับเป็นสตินสตินรี่เป็นสติพระ ในโพธิงเจ็ก็เป็นตัวแรกเลยสติสัมโพธิชงในมรรคองค<ฮ>แปดก็มีสติทําให้สมาพิธิบัติตามมรรคนี่ให้มีสมาสติให้เกิดสมาสติตามสมาทิฐิที่เป็นตัวประธานให้ได้นะเพราะเวลาปฏิบัติธรรมสติจึงเป็นตัวหลักสําคัญเลยใชจ่จริงๆแล้วสมาประธานสีคุณปฏิบัติสมาประธานสี่สมบูรณ์มีสีก็คือสมรวมกายคตาสติ ให้เกิดอาณาปานสติแล้วปฏิบัติสมประทานสํารวจอินทรีย์พวกแบล็กสำรวจประทานประหารประทานข้อที่สองใช่คุณก็ปฏิบัติทั้งวรสํารวจอินทรีย์สำรวจอินทรีย์ห้าะสำวจอินทร4ย์ห้าให้เกิดการเรียนรู้จิตในจิตรู้เวทนาในเวทนาในจิต คือปฏิบัติสติปัฏฐานนั่นเองสติปัฏฐานสีแล้วก็สมัรปัฏฐานสี่เพรมันไม่ได้แยกกันเลยทั้งเจข้อนี่ไม่ได้แยกกันอืไม่ได้แยกกันเลยครับเมื่อเข้าใจสติปัฏฐานสี่แล้วคุณก็ปฏิบัติสมัรปัฏฐานสี่แล้วให้เกิดผลภาวนาประทานก็คือประหารได้ประหารลดกิเลสได้ก็เกิดภาวนาประทานครับเมื่อได้แล้วก็อนุรักษณาประทานรักษาผลครับ ทำอย่างนี้แหละโดยอิทธิบาทสีในข้อที่สของโพธิปกักษ์เยธรรมเป็นแรงหนุนเป็นเครื่องช่วยครับเพราะไม่มีอิทธิบาทนี้ปฏิบัติธรรมไม่สําเร็จหรอกต้องมีฉันท้วิริยะเจตวิมังสาแน่นอนครับแล้วก็จะเกิดผลเมื่อเกิดผลก็ไปตามลําดับอินทรียห้าพระหัคบคุณก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความเชื่อถือเป็นศรัทธาสัตทินะรนี่วิริยินรี่สิ่งคุณได้เริ่มได้เริ่มดีเริ่ ม, เ, มเห็นผล คุณก็ยิ่งจะมีวิริยะมีความภาคเพียรนะ hmm. ห, หรือภาคเพียรนั่นแหละต้องช่วยนะแต่ถ้าเผอว่ามันเห็นผลมันเกิดผลแล้วคุณก็เกิดปัญญาพร้อมนะโอ้คุณอาจารยบาเคยอธิบายคุณไปหาเพชรนะไปขุดเพชรไปตามหาเพชรพอเริ่มเจอแวววววฝอยฝอยเพชรนิดหน่อยโอ้โอเริ่มดีใจยิ่งเจอสักเม็ดหนึง่งโอ้โอแหมใช่มนั่นแหละนั่นแหละ คุณจะพอเจอแล้วคุณจะขี้เกียจไหมมันไม่ขี้เกียจหรอ ก, ม, กอมันยิ่งกมันยิ่งจะขยันใหญ่เลยวิริยะใหญ่เลยยินดีใหญ่เลยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีจิตเท่าไร่โทมเลยนี่มากินแล้วข้าวน้ําไม่เอาแล้วเนี่เวลากลางวันนล่งคืนไม่รู้เรื่องนะี่ได้เจอเพชรแล้วอะไรเงี้ยทิ้งมันเลยชั้นใดก็ชั้นนั้นเวลาคุณปฏิบัติธรรมคุณเกิดมากเกิดผลขึ้นมาเกิดสิ่งที่ได้ขึ้นมามันก็จะมีอิทธิบาทเสริมนิด ถ้าคุณไม่มีคุณก็ต้องทําไม่ได้เริ่มต้นฉันทะนี่เป็นตัวสําคัญเลยคุณต้องยินดีในการปฏิบัติคุณไปทําเหนื่อยนายลาคาญทําเสียไม่ได้โอ้ยอย่าไปทำเลยมันไม่มีทางคุณมันรู้ทำหรอกทําก็ได้ไปอย่างนั้นแหละละหลเลยแหละได้บางไม่ได้บงังเรเด้นหัวหไม่มีทางสมบูรณ์รไม่มีทางปฏิบัติถึงขัน้นสูงสุดน ะ, ะเพราะฉะนั้นจะต้องมีอิธิบาตเป็นตัวนุนตลอดและมันก็จะได้ผลมาตามลําดับได้ศรัทธาได้วิริยะได้สติ <c oughs> ได้สมาธิได้ปัญป ญ, ญานี่คือ อ, อินรี่ห้า <c oughs> ส่วนพละห้าก็อันเดียวกันนั่นแหละศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพละก็คือผล <c oughs> ผลสูงสุดเป็นกําลังสูงสุดเป็นผลที่แเต็มๆถึงปฏิบัติแล้วก็จะสั่งสมลงเป็นอินรียห้าพละห้ น, นี่แหละโดยอยู่บนฐานของโพชฌงเจ็ดก็มักแต เขาบอกเรีโพจฌงเจมรแปดมีสติทั้งคู่เริ่มต้นการปฏิบัติก็จะต้องมีสติให้เกิดสัมโพชฌงให้เกิดผลตรัสรู้ตรัสรู้คือเป็นไปตามธรรมะของพระเจ้าที่ท่านรู้ท่านทรงบรรลุท่านทรงตรัสรู้ของท่านขึ้นมาและท่านก็เอามาตรัสท่านตรัสรู้ของท่านคําว่าตรัสรู้ที่จริงก็คือสิ่งที่ท่านรู้และเอามาตรัสจริงๆนะ เอามาตรัสเอามาพูดเอามาสอนเอามาอธิบายเอามาประกาศเอามาตรัส ก, ก็เลยเรียกเป็นศัพท์คำตรัสสรุ ค, คือความรู้อันนี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าตรัสคํานี้หมายถึงพระพุทธเจ้าหมายถึงของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ประกาศศาสนาพุทธทุกพระองค์ตรัสสรุมันเป็นศัพท์ตรัสสรุเป็นคําศัพท์เพราะฉะนั้นผูดด้ใดรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัส ตามคําสอนพระเจ้าตรัสตามพระอนุสาสนีได้รู้มัธยูผลรู้ผลตรงตามอนุสาสนีเป็นนั่นแหละเป็นอนุสาสนีปาฏิหารเป็นตามคำตรัสถูกต้องเพราะฉะนั้นพระอริยะธรรมดาก็รู้ตรงตามนี้ก็ตัสรู้เหมือนกันเป็นความรู้ตามคําตรัสไม่ผิดของพระเจ้าก็ท่านของรู้เป็นสยามภูท่านก็เอามาตรัสเอง พอตรัสแล้วคนเอาไปปฏิบัติตามก็รู้ตามคำตรัส ก, ก็เป็นการรู้ตามคำตรัสเป็นอนุสาสนีปฏิหารนะอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่หรือปฏิบัติโพชงเจ็ดก็คือสติให้เป็นโพชง ใ, ชให้เป็นองค์ในการตรัสรู้ให้เป็นองค์ในการตรัสรู้ หมายความให้เกิดหน่วยของมรรคผลหน่วยของพุทธธรรมองค์เนี่ยที่เป็นองค์ธรรมโลคุตระเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือสติปัฏฐานสี่ข้อที่หนึ่งของโพธิปักเยธรรมนี่แหละสติปัฏฐานสี่อัตมาเทียบครับสติปัฏฐานสีเทียบกับโพธโ พ, พ, พชงสติสัมโพธิชนสมบัติสมัสมปทานสีก็เทียบกับธรรมวิจัยสัมโพธิชน ครับวิทยาสัมโพชงค์ก็เทียบอธิบัติีก็เทียบอธิบัติี่เทียบวิทยาสัมโจชงได้พ้นขึ้นมาเป็นปิติสัมโพชงค์ได้พ้นขึ้นมาเป็นปัสสัตติสัมโพชงก็เป็นอินทรีย์เป็นพละโพชฌงค์เจดมรรคองค์แปดก็เป็นสมาธิสมโพชฌงค์เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงเป็นนัยยะลึกๆของสัจธรรมสมาธิแล้วในสมาธิองค์ธรรมที่สูงสุดก็คืออุเบกขาครับ หรือโพชงเจ็ดมรค8ดเนี่ยปฏิบัติมีสติเป็นตัวนําต้นมีธรรมวิจัยนะมีวิริยะแล้วก็เกิดปิติเกิดประสิทธิเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาสูงสุดในมรคองแปดก็เป็นสมาธิเป็นองค์สุดท้ายของมครคสมาธิลึกเข้าไปถึงสมาธิสูงสุดก็เป็นฌานที่สี่องค์ธรรมสูงสุดของฌานที่สี่ก็คืออุเบกขา ดังนี้เป็นต้นมันไม่ได้นอกไปจากคําสอนพระเจ้าเลยอยู่ในพระองค์ศาสนีทั้งหมดถ้าเข้าใจแล้วมันไม่ได้เป็นความลึกลับอะไรมันเป็นความชัดเจนในสิ่งที่มันมีตั้งแต่หยาบไปจนถึงละเอียดนะดูเหมือนแกนที่สําคัญที่เป็นตัวเชื่อมทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือสติถูกต้องสติเป็นเหมือนไม้ร้อยพวงมาลัยก็คือเป็นไม้ร้อยพวงมาลัยนี่แหละที่เราสติล ง, งไปงไม่มีการปฏิบัติอืม ขาดาดาสติไปไม่ไม่ไปการปฏิบัติแม่อัตมาว่าจะอธิบายเข้าไปหาหลักเกณฑ์ใหญ่แต่ขอแวะตรงนี้เถอะมาพูดถึงสติเป็นหลักปฏิบัติเนี่ยแวะมาหลายทีอธิบายมาหลายทีแล้วหละแต่มันน่าจะย้ำตอนนี้สตินี่คือความ ระลรู้ตัวรู้นอกรู้ในครับคนเรามีสติก็รู้ตัวถ้าคนเราสติมันไม่ผสมประกอบฟังให้ดีนะจะอธิบาย ล, ละเอียดครับคนธรรมดานี่มีสติเป็นสัพพัญญะสามัญใช่ไหมมีสติสัพพัญญาสามัมมปป ญ, ญาามนคนสามัญแม้คุณจะเป็นปุถุชนคุณจะเป็นกัลยาณชนยิ่งเป็นอริยะบุคคลแล้วเดี๋ยวจะขยายความ คุณเป็นปุถุชนคุณก็มีสติคุณเป็นกัลยาณชนคุณก็เป็นมีสติปุทุชนเป็นโจรคุณก็ต้องมีสติคุณใช้สติสัมปชัญญะเป็นเครื่องใช้ของชีวิตธรรมดาแต่สติของปุถุชนนั้นมันไม่มีปัญญามันไม่มีความรู้ทางธรรมมันไม่เอาอะไรมันเอากิเลสเป็นตัวมงการปุถุชนเอากิเลสเป็นตัวมงการ ยิ่งเป็นปุตุชนที่เลวปุตุชนที่กิเลสหนาอคิเลสมากเป็นคนเลวจะเป็นคนเลวอย่างไม่มีความรู้หรือจะเป็นคนเลวในมีความรู้จะเป็นคนเลวในคนชั้นล่างๆหรือจะเป็นคนเลวในชั้นบนๆก็ตัง้งเป็นปุตตชนที่กิเลสเป็นตัวหลักก็ชั่วหมดทั้งแถวก็ใช้สติสปัปชัญญะปัญญาแบบปุตตชน ถ้าเสียสติก็คือมันไม่รู้จักองค์ประกอบข้างนอกเรียกว่าสังคมอองค์ประกอบข้างในก็คือภายในจิตครับเข้าไปสึงจิตละเอียดเพราะสติของปุตชชนเนี่ยไม่เข้าไปควบคุมจิตข้างในใช้สา ม, มันสํานึกสติธรรมดารรมแล้ว ก, กิเลสเป็นตัวขับเคลื่อนก็จึงจะทํางานเป็นกิเลสเป็นตัวขับเคลื่อน สังคมกจึงบันรรยภพปุถุชนทีนี้คนระดับสูงขึ้นมาเป็นกันลยาณนชน<ม>ก็มีสติระดับกัลยาณนชนก็ยังะระลึกถึงคุณงามความดีะระลึกถึงความถูกต้องหรือสังวรตนไม่ทำชั่วไม่ทำผิดไม่ทำผิดศีลธรรมไม่ทาผิดกฎหมายเป็นต้นหรือยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ยิ่งพยายามสังวรจิตเลยทาจิตทาใจเลยมาทำความรู้ใช้ความลึ ก, ลก ของความสังวรนั้นตนเองว่าสติรู้ข้างนอกเนี่ยรู้ของสังคมรู้ของพฤติกรรมข้างนอกต่างๆ น, น, ๆนานาเรียกว่าองค์ประชุมของภายนอกและภายในของทุกๆอย่างาถ้าท่านที่เป็นภาษาบาลีต้องเรียกว่ากายโลกเรียกว่ากายะโลกโล ก, กีกายะโลกดูรวมอยู่ทั้งหมดแลองค์ประชุมของทั้งโลกข้างนอกข้างในหมด ปุถุชนเขาก็ทําตามกิเลสเป็นหลักอย่างที่ว่ากัลยาณนชนก็ควบคุมใช้จิตสังวรจิตมากกว่ากัลยาณมากกว่าปุถุชนยิ่งเป็นกัลยาณนชนที่ดีรู้ประกฎเกณฑ์ของสังคมข้างนอกของโลกถูกต้องกฎหมายเป็นต้นถูกต้องศีลธรรมเป็นต้นเขาก็ทําดียิ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ยิ่งสังวรเยอะ ตั้งใจให้จิตนี่แหละมันพามรรลุตามคำสอนถ้าสอนยังไม่เป็นโลกุตระก็ไม่เป็นอริยะสติไม่เป็นอาริยะไม่พัฒนาเป็นอริยะเพราะจะสอนแล้วอ่านจิตยังไม่เข้าถึงจิตอ่านจิตยังไม่เข้าถึงจิตสติปัฏฐานยังไม่รู้กายในกายสติปัฏฐานยังไม่รู้เวทนาใ น, นเวทนาสติปัฏฐาน ยังไม่รู้จิตในจิตเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานจัด ก, การทำในทำให้เป็นกุศลธรรมหรือเป็นโล ก, กุตรธรรมยังไม่เกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่มีสติอุตุชนก็มีสติแต่กายกองเขามีแต่กายยาโลกแล้วก็ไม่ควบคุมจิตเป็นสามัญสำนึกสำนึกนอก จำนึกนอกแล้วไปสังวรด้วยชั่วดีไม่รู้ทําชั่วได้ถ้กกากัลยาณชนมีสติเป็นกัลยาณชนสังวรตามภูมิรู้แต่ยังไม่สามารถรู้ปรมัตาจังจับกิเลสไม่ได้ประเด็นหลักที่ว่าอาริยชนกับกัลยาณชนต่างกันอย่างไรตัดกันตรงที่ว่ามียานปัญญาอ่านกายในกายจิตเวทนานเวทน า, นาจิตในจิตทําในทําเป็นไหม หรือทําสติปทาน4เป็นไหมถ้าทําสติปฐาน4เป็นเข้าข่ายอาริยะเข้าข่ายโลกุตระเริ่มตั้งแต่กายในกายเป็นโลกุตระข้อที่หนึ่งตามมิวุฒิเจ้าท่านตรัสไว้ว่าโลกุตระสามสไงครับแล้วก็ปฏิบัติเมื่อรู้กายในกาย ก, ายก็จะรู้องค์ประชุมของรูปและนามข้างนอกและข้างในก็อ่ า, น, านจิตในจิตเจตสิกได้ก็ตามองค์ประชุมของข้างนอกและข้างในที่มีจิตผสมอยู่ร่วมอยู่ด้วย ก็อ่านต่อมาถึงเวทนาอ่านต่อมาถึงจิตก็แก้ไขปรับปรุงเวทนาปรับปรุงจิตเรียกว่าอภิสังขารจับกิเลสให้ได้สรุปกาจัดกิเลสให้ได้เป็นปุญญาภิสังขารเมื่อทำได้สาเร็จเรียบร้อยก็เป็นอปุญญาภิสังขารแล้วก็รักษาผลเป็นอเนญจาวิสังขารในสมบูรณ์แบบตามอภิสังขารสมนี้เป็นต้นนะ เพราะฉะนั้นสติของผู้ดุชนก็คือคนทั่วไปที่ไม่ได้สงวรระวังอะไรเอากิเลสเป็นหลักเอากิเลสเป็นเจ้าเรือนส่วนกาลยานชนก็มีสติที่อย่างสงวรสำนึกนะปฏิบัติตัวแม้ไม่จะเป็นนักปฏิบททัติธรรม ก็ตามภูมิธรรมตามสามัญสำนึกที่ตัวเองมีภูมิธรรมที่จะไม่ที่จะต้องระ ม, มัดระวังอย่าทําชั่วอย่าทําผิดนะอันนี้ก็เป็นสามัญคุณธรรมของแต่ละคนมีมากมีน้อยแล้วแต่ส่วนผู้ศึกษานั้นถ้าศึกษาผิดก็ไม่ได้เป็นอริยะถ้าศึกษายังไม่สมาธิิเพราะฉะนั้นถ้าโดยทั่วไปสติไม่เป็นอริยสุขคนครับสำหรับประเภทแรกก็คือปุถุชนเนี่ย มันก็กลายเป็นเพียงแค่อินสติ้งสัญชาติยานใช่มันเป็นสัญชาติยานเท่านั้นเองถูกต้องโดยธรรมชาติของการเอาตัวรอดเท่านั้นเองเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วก็ไม่คํานึงถึงว่าผิดบ่ดีว่าชั่วว่าอะไรครับโกงกันห้าแ 0,000 นล้านอะไรเงี้ยและก็ยังไม่ยอมรับอะไรอะไรกับเรื่องด้วยว่าขนาดเป็นตํารวจแล้วก็ยังโอ้โหเล่นกันจนกระทั้งกําลังลือลั่นกันดังประเทศไทยดังออไปถึงเมืองนอกหมดและข่าวเดี๋ยวนี้มันสื่อสารสนเทศ มันอะไรละมันฟาบอกกันมัน globalization มันอะไรมันโลกเออโลกาพิวัติแล้วอะสับมันเยอะเนาะ <c oughs> มันเพราะงั้นก็สรุปแล้วอะไรเ อ, อ่ยฮ <c oughs> ะ <c oughs> ของขอ๋อที่ไหนนี่เออ ไม่ปิดโทรศัพท์ที่จริงนะมรารยาถ้าเพิ่มมาเข้าไปในที่สังคมทีม่ประชุมที่อะไรแล้วเนี่ยต้องควรปิดโทรศัพท์ไม่เช่นนั้นมันไม่เอ า, อาละไปตรงแวะนั่นเวลานะเพราะฉะั้นทีนี้เข้าสู่หลักที่อาตมาจะพูดก็คือสติเป็นตัวหลักเห็นมาอธิบายมาเยอะแยะแล้วในขยายความมาจะเห็นความสําคัญของคาํควาว่าสติสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติธรรมจะถึงมรรคถึงผลก็ต้องสติเป็นอาริยะบุคคล จะเป็นอารยะบุคคลได้คุณต้องสมาธิิรู้จักจุดแยกและจุดจะต้องรู้ว่าการปฏิบัติแล้วเช่นอาตมากำลังเริ่มตามพระอนุสาสนีว่าโลกุตระบทแรกคือสติปัฏฐานสีบเริ่มตั้งแต่กายในกายิทธนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมถึงจะสามารถที่จะเรียกได้ตรงตารรมคาสอน ยิ่งปฏิบัติมีความรู้วักกายคืออะไรเวทนาคืออะไรจิตคืออะไรธรรมคืออะไรแล้วก็ปฏิบัติตามหลักโพุทธชงเจตมรรคองคปบนี่แหละหรือปฏิบัติสติสติให้เป็นสติสัมปชมีธรรมวิจญาณสัมปชมวิริยะสัมปชงนําไปให้เกิดผลและเมื่อได้ผลก็จะเป็นปฏิ ปิติสัมโชฌงเป็นปัจธิสัมโพชฌงเป็นสมาธิสัมโชฌงเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงที่ว่านี้นะเมื่อคุณรู้แล้วว่าโลกุตระจะเริ่มต้นกันที่กายก็ต้องปฏิบัติกายขตาสติถ้าสมาธิไม่ได้กายขตาสติของคุณก็เหลวนะ เพราะฉะนั้นในกายขตาสตินี่แหละอ่านมาหลหลายวันวันนี้ก็คุณแดนสู่แดนธรรมก็เลยพวกเราเนี่ยลองบอกว่าไหนเห็นว่าอธิบายอันนี้ได้เก่งลองสรุปสิถามไปเขาก็ตอบขึ้นมาทันทีเพราะว่าสู่แดนธรรมเนี่ยเขารู้สึกมีพรสวรรค์อะไรอันนึง แล ร, รู้สึกว่าเก่งนนรวบรวมสรุปต้ตามันเร็วมีความเร็วเขาก็ถามภาษาบาลีที่จะใช้ก็คําว่าแน่นิ่งมันมีคําว่าอะไรก่อนก่อนแน่นิ่งอะ่ะไม่ใช่ก่อนตั้งมัน่นสติภายในเท่านั้นเอาตั้งมั่นแน่นิ่งโอ้แน่นิ่ ง, งต่ตั้งมัน่นมันอันตราย ม, ยมาี่สมาธิสมาธิญติ อังมาท่องแหวสันสันสันติทัตติใช้คำพูดในในพระแหมวันนี้ไม่ได้หยิบเล่ม1ิยิบเล่มบสี่มาอ้าวเอาเอามาดูที่จะอ่านอ่ากายชตตาสติบ้างจะได้ทวนนะแต่ที่นี่คุณก็ทวนในในนี่คุณก็ทวนอยู่บ้างว่า แต่มันไม่ได้ทวนอย่างสำคัญนะคำว่ามีแต่จิตภายในเท่านั้นที่แน่นิ่งนะในกายคตาสตินะพอปฏิบัติกายคตาสติมาแล้วนี่ท่านก็จะรวมสรุปลงคำว่ามีแต่จิตภายในเท่านั้นที่แน่นิ่งแน่นิ่งแล้วก็คงที่ใช่แน่นิ่งคง ท, งงที่แล้วก็ ตั้งมั่นใช่ไหมเป็นการเป็นการลดหรือว่าเป็นการละเป็นการทําให้เกิดดับความดํางริพรานเป็นการดับรัปิปราบในกระแสในาการอาศัยเรือนเสียได้อ้าวเอามาเอามาเอามาทั้งนั้นจะเปิดได้นี่นี่เขาเร็วเปิดมาจากพัตเตอบินดกเลยเอาเรื่องนี้ไอ้เครื่องนี้เพื่อช่วย เล่มใหญ่ไม่ได้พกมาก็เอาเป็นแบนกันเนี่ยไอ้แบนแบนเนี่ ย, ยได้นะสองตั้งแต่เริ่มต้นข้อไหนกันแล้วแต่เริ่มต้นเ4้าเก้าสเริ่มต้นแล้วนี่อยู่ภายในอะไรก็ดีไอ้เริ่มต้นเป็นอัตมาตั้งกอสเกตให้ฟังแล้วตั้งแต่ข้อ294รอกของกายขตาสติสูตรเนี่ยท่านก็เริ่มต้นเลข้อ2 94้าี่เนี่ยก็คืออาณาปานสตินั่นอเองเธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามือหายใจออกยากรู้ยาอมหายใจเข้าสา่กับสากจนกระทั่งลายเป็นเช่นกัมีความเต็นมีความเพียรในตนอยู่แลกก็ย่อมละความดั่ริพรานที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดั่ริพรานนั้นได้จิตอันเป็นภายในเท่านั้นจิตอันเป็นภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่ง ทำเอกผุดขึ้นตั้งมัน่นดูกระพิสุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติคือนี่คือการปฏิบัติของอาณาปานาสติเห็นไหมครับก่อนที่จะอธิบายยาวไปในกายคตาสติข้ออื่นๆก็เริ่มต้นข้อแรกนี่ก็เอาอาณาปานาสติทั้งก่อนอลมหายใจเข้าออกอ ทั้งหมดเป็นกายรวมอยู่นี้แหละแล้วลก็ปฏิบัติอย่างนี้เลยนะแล้วก็ละความดําดิบพาดทางใจครับใจเท่านั้นจิตอันเป็นภายในเท่านั้น<ม>ย่อมคงที่เพราะฉะนั้นจิตจะสงบปัดซ้ำพยังจิตตังจิตจะระงับแล้วเป็นสมาธนะิสมาธิยติก็ยืนยันจะชัดเอโกทิโพติสมาธิยติก็แปลกันว่า เป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นตะและตั้งมันอันนี้แหละเป็นธรรมเอก e โกทิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นนะและก็ตั้งมันสมาธิยติท่านก็แปลว่าเนจะทำใจในใจแล้วอันนี้นี่คือกายขาตาสติสับพิจารณากายขาตาสติพิจารณาความเป็นกายอันนืมนจากข้อ2 9 5าท่านถึงได้ค่อยๆเลื่อนหลามาบอกว่า กำลังเดินอยู่ยืนอยู่ให้รู้ว่ายืนให้รู้ว่านั่งให้รู้ว่าเดินให้รู้ว่านอนให้รู้ว่าทรงกายในใดอยู่รู้ชัดคือการทรงอาการกายอย่างไรไม่มีประมาทมีความเพียงไปหมดต่างๆนานาพวกนี้ให้รู้อาการให้รู้หมดแม้แต่รู้กายในกายในอาการ32บรู้ในจงกระตั้งพิจารณาเห็นอะไรอะรต่างๆนานาที่เราเห็น เห็นศพคนตายก็เห็นความไม่เที่ยงท่านก็ขยายความเพื่อจะเห็นความไม่ยึดเอามั่นถึงมันไม่ได้แม้แต่ร่างกายต่างๆนาๆ ใ, นในกายต่างๆมีวิตกวิจารณ์มีการรู้มีการเข้าใจจนกระทั่งสามารถเป็นฌานเข้าไปหาจิตแล้วเป็นฌานเข้าไปหาสมาธิแล้วเพราะก็กายขตาสติองค์รวมคำว่ากายเนี่ยมันมีภายนอกด้วยแล้วก็มีภายในด้วย มีองค์ภายนอกด้วยในอาณาปานาสติสูตรอัตมาเอาอาณาปานาสติสูตมาอานท่านตรัดไปตั้งแต่ว่าถ้าปฏิบัติอาณาปานาสติทาให้มากแล้วก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีเป็นพระสิกขากรคมมีเป็นพระโสดาบันต่อจากพระโสดาบันก็จะเป็นผู้ที่ยังปฏิบัติอาณาปานาสติอยู่ hmm. เนี่ยธรรมะไม่ต้องท่องนะอาตมาจําได้เรียงไปอ่านมาเลยเ อ, อนาปานสติมายืนยันเลยจากอานาปานสติท่านก็เข้าสูปโป่โพธิปักยิ่งธรรมสามสเ็เลยครับผู้นี้ก็มีอยู่อานาปานสติอานาปานสติก็ปฏิบัติกายกตาสติรวมกันอยู่นั่นแหละก็ถ้าไม่กายกตาสติคุณจะเป็นพระ อ, อรหันต์ได้ยังไงอืผู้ปฏิบัติอรหันต์คุณจึงได้หรือแม้แต่มาถึง ผู้ที่ปฏิบัติชื่อว่าเป็นโลกุตระนั่นนะพอมาถึงพ ร, พระโสดาบันก็แน่นอนหรือปฏิบัติ อ, า อ, าอานาปานสติก็แน่นอนอานาปานสติก็คือต้องเป็นโลกุตระด้วยแน่นอนอานาปานสติก็ต้องเป็นโลกุตระด้วยแน่นอนครับจากอานาปานนี้ก็กั้องขึ้นต่อจากอานาปานสติถนั้นอานาปานสติต่อจากนั้นก็คือสติปัฏฐานสี่ สติปทานสก็เป็นโล ก, กุตระรอันนี้ยืนยันชัดแล้วต่อที่ยืนยันไปะธรรมโเริ่มสาอ็ดข้อหกร้อยยี่สิบมันมาเป็นโล ก, กุตระสาขอ้อก็เริ่มต้นตั้งแต่สติปทานสีการในการแล้วก็ไล่ไปจนกระทั่งโพธิปักเกียรติสมบูรณ์และในโพธิปักเกียรติสบูรณ์สา37เนี่ยแม้แต่ในมรรคองค์8ก็ปฏิบัติลืมตา ทำอาชีพก็ได้รกรรมมันตะก็การกระทำทุกอย่างวาจาก็พูดได้สังกปะก็มีให้อธิบายในสมัชพประทานสี่สำรวจอิน4ีหมันก็ไม่ได้หมายความว่าให้ปิดหูปิดตาสมัชพประทานสี่แล้วก็ตัดกิเลสต่างๆนาน า, นาครับนะอะไรต่างๆพวกนี้อ่ะซึ่งอาตมาก็พยายามที่จะเอาตามพระอนุสาสนีตามคำตัดองพระเจ้าเนี่ยที่ทรงซ้อนเนี่ยมา มามายืนยันให้เห็นนะสรุปแล้วนะสรุปแล้วในการปฏิบัติคําว่ากายกายขตานี่หมายความว่าองค์ประชุมของรูปนามของภายนอกและภายในครับขอยืนยันนะ ว, ว่ากายนีย่มันมีทั้งภายนอกและภายในแต่ไม่มีภายนอกก็ได้เป็นนามกายนะเป็นนามกายหรือขั้นจิตตสังขาร ในอาณาปานสติเนี่ยก็ให้พิจารณาให้เรียนรู้กายะสังขารทีนี้กายสังขานี่มันเลยเถิดคําว่ากายมันความรู้มันขาดวินอาตมาขอใช้ศัพท์คำนมันขาดวินคําว่ากายเล็กคำว่ากายเปหมายถึงข้างนอกอย่างเดียวกายเปหมายถึงร่างทั้งแที่คําว่า กายคำนี้เนี่ยหมายถึงจิตวิญญาณเป็นหลักหมายถึงจิตวิญญาณเป็นหลักฟังตรงนี้ให้ชัดเลยนะตั้งใจฟังดีๆคำว่ากายเนี่ยเป็นคำที่จะต้องเอามาใช้ในการประกอบธรรมะเสมอใช่ครับตั้งแต่รู้จักกายสังขารหรือกายในกายใช่ครับหรือคำว่าสักกายะ กายที่เป็นของตนสักกายเป็นของตนคำแรกของโพชลงไปของสังโยชน์ข้อที่1เลยเมื่อคุณจับตัวสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้ปฏิบัติสติปัฏฐานสีรู้จักกายในกายคุณก็พิจรารณากายตัวนี้เมื่อคุณรู้ความหมายคำว่ากายก็ต้องรู้ว่ากายนี่หมายของทั้งนอกและภายในแม้ท่านย้ำยืนยันลงไปในบุคคลกายสักขี ว่าแม้คุณจะมีกายสักขีขนาดไหนคุณจะมีองค์ประชุมองค์ประชุมก็มีรวมทั้งข้างนอกข้างในเลยนะองค์ประชุมเป็นสักขีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเผื่อว่าคุณไม่ได้สัมผัสที่โมกแปดด้วยกายและก็รู้ด้วยปัญญายย่งมีอิริยาบถสำเร็จอิริยาบถอยู่คุณก็ไม่เชื่อว่าคุณเป็นอรหันต์ได้อาสวทั้งสิ้นไม่หมดดังนี้เป็นต้นพราคุณ เข้าใจคําว่ากายนี่ไม่ถูกต้องสัมผัสวิโมก8แด้วยกายคุณก็ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติวิโมก8แดให้มันด้วยกายเป็นคุณก็ปฏิบัติไม่เป็นเมื่อปฏิบัติไม่เป็นหรือความรู้ไม่เป็นจึงแปลวิโมก8แปดไม่ค่อยสมบูรณ์ขออาภัยอาตมาพูดแล้วก็ไปดูถูกดูแคลนคนอื่นเขามักเตรงใจจริงๆนะอาตมาเกรงใจจริงๆเกิดมาชาตินี้เนี่ย ปางนี้เนี่ยเกรงใจมากเลยผู้รู้ท่านนี่อาตมานับถือนะท่านขนความแล้วท่านศึกษาแล้วท่านพยายามที่จะทําความถูกต้องไว้หมดแต่ท่านก็ทําได้ตามภูมิของท่านใช่ไหมอาตมาก็มาเห็นว่ามันมันยังไม่ครบมันยังไม่สมบูรณ์อาตมาก็มาพูดเติมว่ามันน่าจะอย่างนี้หน้าน่าจะอย่างนี้่ก็เป็นการแสดงความเป็นอาตมาสมมติก็ต่างที่ท่านเข้าใจท่านยึดถือแล้วเพราออาตมามาพูดนี้ท่านเห็นว่าไม่ตรงเลยที่ท่านยึดถือ กรุณาจะพิ่งเตี๋ยตมาทิ้งนะเลี้ยงดูตัตมาไว้ดูหน่อยฟังฟั ง, ฟงบ้างปาราโตโควะสักนิดห น, นึ่งก็ยังดีนะเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติให้ลึกเข้าไปอีกคุณไม่สามารถจะปฏิบัติวิญญาณทิฏฐิเจ็ดบรรลุธรรมเลยคุณจะล้างความเป็นสัตว์ทั้งสัตวตาวาสก้าซึ่งยืนยันใช้คำว่ากายนี่เป็นหลักเลย ใช่คุณจะดับความเป็นสัตว์พลสังโยชน์สิบไม่ได้เลยถ้าคุณเข้าใจกายไม่ได้คุณปฏิบัติวิญญาณที่ติดเจหรือสัตต์วาด9ไม่ได้ข้อหนึ่งสอสมสี่โดยเฉพาะคําว่ากายทั้งสี่ข้อคุณปฏิบัติไม่ได้คุณไม่รู้คําว่ากายคุณจะไม่รู้จากสัตว์นรกสัตว์เทวดาสัตว์พรมอะไรคุณไม่รู้เพราะองค์ประชุมของกายนี่แหละรูปน้ํา น, นี่แหละเป็นสัตว์นรกองค์ประชุมรูปน้ํา น, นี่แหละ เป็นสัตว์เทวดาและองค์ประชุมรูปน้ํานี่แหละเป็นเทวดาวิสุทธิเทพหรือพรหมเป็นพรห ม, ม ก, กายหรือเป็นธรร ม, ม ก, กายของอรพระอาาริยะเจ้าพระอรหันต์เจ้านั่นถ้าบอกว่าเข้เขาใจคําว่า ก, กายไม่ได้คุณเข้าใจพรห ม, ม ก, กายไม่ได้ไ ม, ไม่สําเร็จสมบูรณ์คุณก็จะกายที่จะเป็นสัตว์นรกคุณจะเข้าใจกายที่จะเป็นสัตว์เท ว, วดาไม่ได้พ่อครูครับอารมณ์เนี่ย ถือว่าเป็นกายด้วยไหมอารมณ์เป็นกายเพราะเราจับมันได้ถูกไหมใช่เวลาปฏิบัตินี่คุณจะต้อง อ, อารมณ์ต้องเป็นกายเพราะฉะนั้นกรรมมัฏฐานบอกว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งงานการเจริญภาวนาต้องมีกายกายต้องมีภายนอกครับเอาขยายความอีกพูดไปหลายทีแล้วแต่ย้ำซ้ําวนอีกการปฏิบัติตามรู้เจ้านั้นเห็นข้างนอกหมดตลอดเวลา มีข้างนอกอยู่ตลอดเวลานอกจากจะอธิบายว่าอ่านลึกเฉพาะใจในใจเท่านั้นแต่ในภาคปฏิบัติสามันตลอดเวลาต้องมีกายข้างนอกเริ่มต้นตั้งแต่เรียนรู้เบื้องต้นที่จะเป็นโสดาบันลก็ต้องมีกายข้างนอกเรและก็รู้อภายจากองค์ประชุมของความเป็นสัตว์นรกครับสัตว์อบายเมื่อคุณฆ่ากิเลสที่เป็นสัตว์นรกได้ คุณก็เป็นโซดาบันและคุณก็ฆ่ากิเลสต่อเป็นสกิทาคามีมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นอนาคามีคุณก็ฆ่าสัตว์นรกในกามาพบหมดสัตว์ต่ำสัตว์กิเลสนั่นเองกิเลสนั่นเองไม่ต้องสัตว์อืนะ่นหรกิเลสนี่แหละเป็นเหตุแห่งความเป็นสัตว์แหละใช่ดับกิเลสกามาพบได้หมดคุณก็เป็นอนาคามีก็ไม่ได้หมายความว่าคุณหลับตา คุณก็มีการมาพบอยู่เน่แหละลืมตามีองค์ประกอบข้างนอกในตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสทุกอย่างแต่คุณอยู่เนื้อมัแล้วคุณมีโลโกตรจิตในระดับพร อ, อนาคามีเหลือรูปราคะรูปราคะเหลือกิเลสสังโยชน์เบื้องสูงคุณก็ล้างกิเลสไปในขนาดสัมผัสนั่นแหละกิเลสมันก็จะเกิดแต่ข้างในจึงเหลือแต่จิตสังขาร จะเรียกว่ากายสังขารก็ได้แต่กายสังขารคุณได้อยู่เหนือกายภายนอกแล้วอืคุณเหนือกายภายนอกแล้วมีโลกุตตรจิตแล้วกายจสังขารปัดซับพยังคุณทาได้แล้วเหลือแต่จิตสังขารใช่เป็นรูป ร, ราคะรูป ร, ราคะมานะอุจจจะอวิชชาของพระอนาคามีแต่ไม่ได้หมายความว่าขาดองค์ประชุมรูปนามข้างนอกถูก เมื่อพระอนาคามีนับกิเลสหมดรูปประพบกหมดอรูปประพบกหมดสัตว์ทั้งหลายหมดหมดเขก็ลืมตามีกายเต็มมีองค์ประชุม น, นอกในสมบูรณ์เลยสมบูรณ์เลยเป็นพระอาหารหันต์ก็อยู่ทุกอย่างข้างนอกข้างในหมดผ ม, ผมอธิบายความสัตว์ไม่มีความดับใจกิเลสหมดสิ้นอายตนะห้าทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดทำงานขึ้นถูกไหมครับกิเลสมันจับ อพอมันจับมันเป็นกายที่เราอยู่เป็นภายนอกเป็นกายภายนอกอเข้าสู่สภาวะภายในเกิดเป็นตัวอารมณ์ตัวอาการกายตัวนี้ที่ผมถามพ่อครูตั้งแต่แรกเพราะไอ้เกิดอารมณ์เกิดอาการกายตัวนี้แหละมันก็คือก่อให้เกิดสัตววาดก้าแล้วแต่สภาวะที่จะมันเกิดใช่ใช่ถูกไหมครับซึ่งมันเป็นปรากฏการภายในที่เข้ามาภายในที่พวว่อครูอธิบายเพราะไอ้อไกระบวนการที่มันเกิดถ้ามันสามารถฆ่าตัวนี้ได้ ทำการประหารได้หรือกําจัดตรงนี้มันได้นั่นหมายถึงว่าถ้าเกับเรากําจัดกีเลสแล้วก็ทําให้สตาวาสที่สภาสวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความเป็นไปได้เก้าแบบเนี่ยมันหายแล้วมันสูญสิ้นไปนั่นก็คือเท่ากับสิ้นสุดสัตว์ความเป็นสัตว์ตรงนั้นมันหายไปหมดโดยสังโยชนิสิ์ไปาสังโยชนิสิไปพ้นอวิชชาสังโยชนิสิท้ายเป็นสัญญาเวทิสันนิโรธรับเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีความรู้สึกว่าเรายังมีเจอการกระทบกระทั่งไม่ว่าจะเป็น ทั้งทั้งสิ่งที่เกิดเป็นภาวะของการกระทบเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายพอมันเข้ามาสู่ที่ใจเนี่ยเกิดอาการใดาอาการหนึ่งขึ้นมายังคงเกิดอาการอยู่ในของภาวะของอกิเลสใดยอย่างใดยอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโลภโกรดหลงหรืออะไรเกิดขึ้นมานั่นหมายถึงว่าอาการเหล่านั้นมันกลายเป็นสัตว์ตาว่าเกิดขึ้นทันทีถูกต้องถูกนะครับ ตั้งแต่สัตว์ว่าตั้งแต่กายข้อที่หนึ่งครับซึ่งคุณเข้าใจกายไม่ได้เมื่อเข้าใจกายไม่ได้คุณก็มีกายต่างกันไปหมดพวกคุณควบคุมกายไม่เป็นหรือยิ่งคุณมิจฉาทิฐิคุณก็ชื่อมันก็ยิ่งต่างกันที่นี้ยิ่งมาเอามาเปรียบเทียบว่าคนสมาธิฐิกับคนมิจฉาทิฐิคุณก็ได้กายอย่างหนึ่ง คนสมาธิสติก็เลยกาอย่างหนึ่งยกตัวอย่างให้ชัดอย่างพระอริยะหรือว่าผู้ที่เป็นสมาธิิแล้วปฏิบัติกายคตาสติก็ดีปฏิบัติอาณาปานสติก็ดีหรือปฏิบัติสติปัฏฐานเสก็ดีหรือมีสติปฏิบัติธรรมของพระเจ้าให้เป็นสมาสติก็ดีให้เป็นสติสัมโพชฌงก็ดีเมื่อปฏิบัติในตอนใดกระทบสัมผัสแล้วมีสติเต็ม รู้ตัวตัวพร้อมมีทุกอย่างเลยมาหาพุทรรรธรูปก่อมีปัสสัทธรูปก่อมีครับโคจรรูปก่อมีอมเกิดปฏิกิริยาสัมผัสกันแล้วเกิดภาวะรูปเสร็จแล้วก็จับได้พัทยรูปแล้วก็พิจารณาได้เห็นชีวิตติชีวิตรูปชีวิตรูปของสัตว์นรกก็เริ่มต้นเลยแหละคนที่แรกอะ ไม่ไโซดาบัลก็ต้องจับชีวิตสัตว์นรกได้ก่อนสัตว์อบายก่อนถ้าสมาธิคุณจงสามารถจับชีวิตของสัตว์นรกได้เห็นกายมันเลยกายไม่ใช่เห็นแต่รูปร่างร่างสัตว์นรกโบาสัตว์เปรตก็เลยเ ด, ดือตูงสงพุงโตๆขายไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ใชรูปร่างอย่างนั้นกายกายคือองค์ประชุมน้มรูปน้ำ อาการทางกายทางจิตสัตว์นี่เป็นสัตว์ทางจิตโอเบปาติกสัตว์สัตว์นี้ก็คือโอบปาติกาสัตว์ไม่มีศรีระเห็นไม่ได้มีญาณอั น, นทัศนังอนันตังเป็นกายวญญากายวิญญาณาาาเป็นกายยวิญญาณในกายยสังขารกายยสังขารเป็นกายยวิญญาณนี่เป็นวิญญาณของสารรบวิญญาณเห็นไม่ได้อ น, นี้ทัศนงัง <casual enjoying. S 2> อ้าวเห็น <he> ไม่ได้ มีญาณังันนี้ทัศนังอนนั้นตังสัพพตโอภพังพระรูจจะก็สอนไว้เป็นทัศนศาสนีก็ตรัสไปชัดอย่างนี้แต่ไปสอนผิดก็เลยนั่งหลับตาสมาธิก็เห็นสัตว์นรกเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนแต่ไม่ได้พิจารณาข้หาจิตเลยด้วซ้ําเลยไม่รู้สัรว์รกนี่คืออะไรอาการเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงจิตของสัตวนรกเป็นไงไม่รู้เห็นแต่กายเห็นแต่ร่างเพราะเข้าใจกายว่าเป็นแต่แค่รูปร่างอืม นี่คือความผิดเพี้ยนของทั้งที่เป็นนั่งสมาธิหลับตาเห็นอยู่ข้างในพบในภูมิก็ตามเชื่อตมาก็ยืนยันแล้วว่าเห็นในภูมในภูมินั้นมันเป็นแค่สัญญามันไม่ได้เป็นปัญญามันไม่ได้เป็นตัวไม่ไม่เป็นมันเป็นแต่สัญญามันไม่เป็นปัญญามันไม่เป็นวิญญาณถ้าเป็นแต่สัญญาวิญญาณเนี่ยจะต้องเห็นเมื่อมีตากระทบรูปมีผัสสะสาม นี่คำที่พูดออกมานี่พระนมศาสนีทั้งนั้นคาสอนของพระเจ้าทั้งสิ้นเลยแต่ที่คุณฟังมาสอนเรียนกันมานี่หลายผู้หลายคนที่เรียนอยู่เดี๋ยวนี้ที่นับถือกันเป็นพระอาหารหันต์ด้วยบอกอย่าไปอ่านตําราปฏิบัตินั่งสมาธิเข้าอย่างเดียวอย่าไปสนใจตําราสอนถ่ายทอดกันมาเดี๋ยวนี้ก็ยังได้ยินอาจารย์ต่างๆสอนสอนอย่างเนี้ย อย่าไปอ่านอย่าให้จิตออกข้างนอกแล้วมีที่ไหนให้ออกข้างนอกเมื่อให้ออกข้างนอกอธิบายไปจบเมื่อกี้นี้เป็นโสดาก็ต้องมีจิตข้างนอกมีตัวเห็นข้างนอกเป็นสกิตาเป็นอนาคาก็ยังมีเคราะห์อรหันต์ก็มีข้างนอกมีกายองค์ประชุมของกายข้างนอกข้างในทั้งหมดมีทั้งอจชตังอรูปสัญญีเอโกฟังหิทารูปานิปสติในวิโมก8ข้อที่สองด้วยกาย ต้องครบทั้งนอกด้วในองค์ประชุมทั้งหมดด้วยองค์ประชุมทั้งภายนอกภายในด้วยการในหมายขององประชุมนอกและในตามยีโมกแปยืนยันอาิตารูปานีนกับอัจจตังอัจจตังคือภายในพ่อฮิตาคือภายนอกองค์ประชุมทั้งทั้งภายนอกภายในและทั้งกามทั้งรูปทั้งอรูปนั่นคือท่านกัดสั้นๆแต่ในยะมันครบอย่างที่ว่านีนี่คือลักษณะของสัจธรรม ข้อพระอัตมาพูดแรงพูดเน้นพูดเหมือนคนที่มีอารมณ์พูดเหมือนโกรธพูดเหมือนจะข่มคนอื่นข้อไปทั้งสิ้ น, นครับพระครูครับพระอัตมาต้องขอไปแบบนี้นึงครับจระอัตมาทํำนี่นะอัตมาเรียนแบบพลเอกประยุทธ์ <laughs> รอเรียนรอเรียนกอไฟก็ไฟนะท่านพลเอกประยุทธ์รอเรียนให้มันดูบเบาๆหน่อยหนึงสนุกติดเนืองสมัยนี้ต้องใช้คาแรคเตอร์อย่างนี้ครับและได้ผลเพราะฉะนั้นนอกจากคนที่มันบลืดทือมันไม่จส่ใจถ้าคนใส่ใจศึกษาธรรมะนอัตมาว่าจะเข้าใจถ้าเข้าใจเจตนาของอัตมาหรือใครเข้าใจเจตนาของท่านพลเอกประยุทธ์นี่นะ ถ้าจะมีเจตนาหรืไม่เจตานาก็ตามอาตมาว่าเหมาะสมกับยุคสมัยอาตมาเคย อ, อธิบายมานานแล้วว่าทุบนายก28คนเนี่ยไม่มีใครคาแรคเตอร์เหมือนกับพลเอกประยุทธ์ครับเพราะทั้ง28ดคนนั่นแหละคาแรคเตอร์แบบนั้นถึงแก้ปัญหาไม่ได้อาตมาขอพยุงยันพลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาได้เขาดูสินายราช้ไปเลยคาแรคเตอร์นี้แหละเอาเลยอาตมาคอยยุ่งสงจริงใจ เป็นคาแรคเตอร์ที่จริงใจแล้วก็พูดไปเอ้ยก็ามาสินอมันเป็นอย่างเงี้ว่ะอโอ้โหมันได้ใจจริงๆมันได้ใจจริงๆอิงามาดูแล้วมันมากเลยแฟนพันแท้ทุกวันศุกร์ครับปัจจจะถามต่อนิดหนึ่งพระครูครับ อาการตัวการเกิดสัตว์วาก้าเนี่ยแต่ละแบบนั่นแหะนั่นก็คือตัวทุกถูกไหมครับมันตัวทุ่งตัวเหตุแห่งทุกความเป็นสัตว์นี่แหละตัวทุกสัตว์มันก็คือตัวยังมีทุกอยู่พ้นความเป็นสัตว์สมบูรณ์แล้วไม่มีสัตว์แล้วนั่นคือพลพ้นทุกพ้นทังโยชน์ก้ก็คือเป็นัโยชน์ก็คือเป็นตัวทุกข์ที่จะมองให้ออกในอรยยสัจสี่เป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงที่จะต้องหาทุกข์ให้มันใด้ใช่แน่นอนนะ เพราะงั้นที่อาตมาพูดไปแล้วอะไรไปแล้วนี่นะก็ขอเน้นเข้าที่เนื้อหาถ้าใครมีปัจตับิดกกายขตาสติก็ดีอานาปานาสติก็ดีสังเกตคำว่าจิตนาะละความดริลรานนั้นได้จิตอ น, นั้นเป็นภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมัน่นนะ นี่แหละเข้าใจให้ได้สังเกตในกายคตาสติก็มีเป้าหมายนี้เพราะดมระความดําบิพรานในกามในรรปรกิริยาอกุศลต่างๆทั้งนั้นแหละไม่มีอื่นแล้เพราะงั้นจะมีทั้งรูปข้างนอกมีทั้งข้างในจะมีกายคตาสติมีงองค์รวมของการประชุมกายมีทั้งข้างนอกข้างในมีทั้งมหาภูตรูปแล้วก็มีทั้งตากระทบโอ้โหกระทบอะไรกระทบต่างๆนานา จนกระทั่งเกิดผลขึ้นมาเป็นภาวะรูปจนกระทั่งมีชีวิตรูปที่อาตมาขยายไปถึงชีวิตรูปก็จะเห็นชีวิตสัตว์ความเป็นชีวิตแล้วก็รู้จักอินทรีย์ของชีวิตของมันมาอินทรีย์ของมันแข็งอยู่อินทรีย์ของสัตว์แข็งหรือว่าทำให้อินทรีย์ของสัตว์เบาลงจนกลายเป็นอินทรีย์ของอารยะอินทรีย์ของจิตสะอาดแข็งแรงขึ้นกาลังของสัตว์รก เบาลงจนดับไปจนไม่เหลือกลายเป็นอินทรีกำลังจนเป็นกำลังใหญ่เป็นพร ะ, ะของอริยะบุคคลขึ้นมาแทนแทนที่จะเป็นนะสัตว์ก็รู้ความเป็นสัตว์นะแยกสัตว์ออกแยกบุคคลออกบรสัตตานังหรือว่าปุคลานพระปุขรานังรู้จักความเป็นสัตว์รู้จักความเป็นบุคคลอย่างนี้อย่างนี้ต่างกันอย่างไร ปรสัตตานังแปลว่าต่างกันต่างหากกันอย่างอื่นไม่เหมือนอย่างโน้นสัตว์นรกก็อย่างนั้นมีกายอย่างนั้นเป็นบุปรสัตตานังปบุคละโบราณนังเป็นอริยะบุคคลหรือเป็นโลกียะบุคคลก็เป็นแบบสัตว์นรกอย่างนั้นแหละเป็นสัตว์โลกียะแบบนั้นแหละแต่ตอนนี้มาเป็นบุคคลที่เป็นอริยะบุคคลเป็นมาเป็นบุคคลอีกอย่างหนึ่งปรสุบุคลานังก็เป็นผู้ที่ เห็นเป็นเจโตปริยานนี่คืออยู่ในเจโตปริยานนั่นประสัส ต, ตานังประสุบคลานังนี่นอยู่ในเจโตปริยานนี่เป็นคําสอนรู้เจ้าทั้งสิ้นอาตมาก็หยิบสิ่งเหล่านี้มายืนยันอย่างตัวเองเรียนมานักหนามากมายอาตมาไม่ได้เรียนมากแต่อาตมาเห็นความจรงิงเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ดีพูดแล้วก็ชมตัวเองเห็นได้ดีแล้วก็เห็นชัดเจนแล้วก็เอามาใช้ยืนยนันเพราะเอามาประกาศเอามาสอนเอามาอธิบายก็จําจเป็น นัน่วก็ค่อยๆเอามาขยายความไปอย่างนี้เพราะแม่แต่คําว่าอาศัยเรือ น, นาอาศาัยเรือนแล้วก็วละอะไระละความดําลิพรานที่อาศัยเรือนเสียได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งท่นแปลมาจากภาษาบาลีคําว่าอาศัยเรือนนี้อะไร เคหัสิตาสังสังสระสังกับป่านะนะแล้วก็ปปะปะหีน ป, ะ ห, ปะหิยตินะอย่างนี้เป็นต้นนะเทหสิตาสระสังกับป่าเตปะหินณยันตินะอย่างนี้เป็นต้นหมายความว่าท่านแปลองค์รวมเป็นภาษาแล้วว่าละความดําดิพรานปะหิน มหานะนั่นแหละเป็นอย่างนี้คือประหารนั่นแหละละทําให้มันจางคลายทําให้ลดไปย่อมละความดํามหลีพร่านที่อาศัยเรือนเส้นได้และคําว่าเรือนคํานี้ก็หมายถึงตาหูจมูกดินกายที่มันมเกี่ยวข้องอยู่องค์ประชุมกันอยู่นั่นแหละเป็นเรือนเคหะคแบบแบบชาวโลกครับชาวโลกียะก็ อ, อาศัยแบบโลกียะอาศัยตาหูจมูกดินกายใจเป็นโลกเนี่ยไม่ใช่เรือนธรรมดาหรอกเป็นโลกียะนะ นี่ก็คือความหมายของสัจธรรมความหมายของปรมัตาธรรมที่อาตมาต้องขยายความตามความเข้าใจจริงของอาตมาเป็นความจริงใจเป็นความรู้อาตมาที่มันต่างกันกับที่ท่านอธิบายแล้วก็นับถือกันอยู่ทั่วประเทศทั่วชาวพุทธที่อาตมาเห็นว่าแม่มันน่าเสียดายมันน่าสงสารอ่ามันน่าสงสารทั้งผู้คนที่ปฏิบัติผิด น่าสงสารทั้งประเทศที่ประเทศมีคนที่เป็นชาวพุทธทั้ง9กห้าซแล้วก็ไปปฏิบัติผิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเหล่าที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติผิดท่านก็มีภูมิธรรมมีคุณธรรมที่มันติดผิดของพุทธเพราะมันผิดของพุทธนี่แหละสังคมประเทศมันถึงได้เป็นอย่างเนี้ยโกงกันได้ถึงขนาดเนี้ย ข้อพายเี๋ขอใช้ศัพท์ไทยๆหน่อยนะอย่าหาอัตมาพูดรุนแรงเกินไปเลยมันถึงหน้าด้านในการทําชั่วอยู่ขนาดนี้ข้อภายหน่อยเถอะเขาพูดเถอะก็เพราะว่ามีความรู้ทางธรรมตามที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์หรือที่หลอล้อมคุณธรรมมาก็มีความรู้อย่างนั้นแค่นั้นมันไม่เป็นอารียธรรมที่เป็นของพระพุทธศาสนา ถ้เป็นอะไรจะทำของพุทธศาสนานะแค่เป็นโสดาบัณ น, นะบริสุทธิ์ในศีลห้านะเอาเธอจะบริสุทธิ์คุณบอกว่าศีลมีกายวาจาก็พอคุณก็ไม่โกงทางกายไม่โกงทางวาจาใจคุณแต่โกงในใจคุณก็ไม่เป็นไรแต่คุณไม่ได้ทําำมาปฏิบัติทางกายวาจาเลยแค่นี้ก็ยังเหลือ ก, กินแล้วมันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ของสังคมเลย ยิ่งคุณไปบริหารประเทศเป็นผู้โอ้โหมีคูบาอาจารย์ส า, สารพัดนะขออภัยตั้งแต่สังกฐาชมายันเจ้าคุณต่างๆสมเด็จต่างๆมายันอาจารย์ในระดับกรรมฐานอาจารย์ที่ถือกันมาเป็นอรหันต์เลยก็ทั้งนั้นแหละนับถือกันมาใช่ไหมและศีลห้านี่แหละถ้าบรรลุทําได้เท่านั้นนี่ย เอาสมมตินะสมมุติว่าเป็นพุทธศาสนายันที่สมาธิธิมีครูบาอาจารย์ขนาดนี้มีวุฒิภาวะปฏิบัติก็ต้องมีคุณธรรมสูงใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่สูงอย่างน้อย ก, ก็ต้องมีศีหน้ากันผู้บริหารประเทศมีศีหนเท่าท น, นั้นเหตุการณ์อย่างประเทศไทยที่จะเกิดนี้จะไม่เกิดเลยขอยืนยันเลยเอาหัวไปประกันตัดคอได้เลยถ้ามีคุณธรรมนั้นจริงใช่ไหมไม่โกหก สีขาวอะไรก็แล้วแต่ไวไล้ลายใช่ไหมไม่ลักทรัพย์แน่นอนอไม่อะไรวุ่นวา ย, ยสิทีหน้าไดแหล ะ, ะไม่รับถงรับถวยอะไรตั้งทั้งนั้นไม่สารพัดไม่หรอกอแต่เพราะนี่คือเหตุเหตุจากศีลธรรมคุณธรรมหรือศาสน า, าเลย พาประชาชนศาสนกชนเป็นเช่นที่เป็นนี้ขอภัยที่อาตมาพูดจริงจริงจังจริงจังประเทศถึงร่มเร็วเพราะมันไม่เข้าเป่ามันเพี้ยนไปมันไกลมันผิดไปหมด<ต>พระหาเจ้าทีก็ไปไปเอายศ ลาบสารเสร็จมีเต็มเรื่องที่เล่าเอเธอเป็นเดรัจฉานวิชากันสารพัดสารเพมีวัดไหนนะมัมีเดรัจฉานวิชานอกจากวัดอโศกขออภัยอาจจะมีบางวัดนะเช่นอาจารย์จะมีไหมล่ะมีนะเด้อ ขออภัยมีรถน้ำมนต์ไหมไม่มีมีบบบดอกไม้ทุบเทียนไหมมีพระเจ้าดูหมงดูหมออะไบ้างไหมไม่มีมีจุดทูบจุดเทียนไหมไม่เห็นจุดทูบจุดเทียนนี่ผิดแล้วนจะจากจุจลศิลป์มจิมศีลมหาศีลนะที่จากศ า, ศาสนาพระเจ้าเอาให้ชัดๆสวดมนต์ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเอาบทธรรมบท ม, มาสวดให้ อนุสัมพันธ์ต่างๆนาๆนาเนี่ยข้างนอกเนี่ยมีไหมล่ะวัดนั้นอะ่ะ <_ C. S 1> ขออาอภัยเธออ้าวเอาละ ก, ก, ก็ยืนยันกันไปไม่ใช่ ม, อมาอวดดีอวดเก่งไม่ต้องการมาเบ่งมาข่มวัดเกรงใจจริงๆอาตมาไม่ได้อยากใหญ่อยากโตอะไรจริง ๆ, ๆเกรงใจจริงๆนะเกรงไม่อยากให้ใครมาเข้าใจว่าอาตมานี่มาเบ่งใหญ่เบ่งใหญ่ไม่ได้จากเลยแต่พูดสัจธรรม มันเป็นวิชาการมันเป็นความรู้จริงเท่านั้นเองอเราไม่ได้เปยไว้ตอนต้นว่าเราจะให้ทั้งบ้านเขาร่วมอะไรด้วยส่งประเด็นอะไรต่างๆเข้ามาเวลาก็มาดูเวลาแล้วมันก็เลยไปเยอะแล้วด้วยติดลมบนกันพูดกันไปติดลมบ น, นก็เปยๆกันตอนนี้เลยว่าเอาละก็ยังส่งประเด็นได้อยู่สําหรับผู้ที่เข้าใจอยู่ทาง จอส่ ง, สงมีบอร์ทางจอบอกวลารับประเดน็นก็มีจออยู่อยจอเนาะก็ไม่ได้พูดไปแต่ก็คงโดยปฏิพานประเด็นไหลแล้วครับก็คงจะรู้ก็อยู่นะเพราะงั้นพูดส่งประเด็นเข้ามาก็อันนี้ได้นะตอนนี้ก็ขอไวแค่นี้เพราะว่าอาตมายังจะบรรยายยังจะสอนยังจะแนะนำยังจะอะไรไปจนตั้งใจจะอยู่ให้ได้1 5อปีจริงๆและถ้าอาตมาจะหยุดสอนก็คง7ปีสุดท้ายที่้อยหนะ เจ็ดปีสุดท้ายขอเสวยวิมุตเถอนะอายุร้อยสี่สิสี่จะขอหยุดนะสอนอ่เจ็ดปีสุดท้ายนี่ก็อ้า ด, ดูลูกดูหลานไปดูเลนดูหลนอะไรป้ า, าตามภาษาาร้อยหาสิบเดนี่เนานะมันต้องเต็มไปหมดลูกหลานเลนหลนไอคนนั่งอยู่ด้วยนี่จะไปรวมมาร่วมจัดรายการได้ถึงขนาดไหนเนอเอานอยู่ด้วยกันตั้งใจดีๆตั้งใจดีๆตั้งใจครับ ก็บกบับเบอร์นะครับเบอร์รับประเด็นนะครับ0ูนยอนีะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0ูนยอีกเบอร์หนึ่งนะครับ 0, 0ูนยอี 1. อีกครั้งครับ082 4 43 0ดสนะครับก็ส่งประเด็นมากันได้ทัวนะครับ0 6 0 5 7 4 0892660574ครับ0824430271เฉพาะในช่วงรายการขณะนี้เท่านั้นนะครับยังพอมีเวลาอีกประมาณ20นาทีครับรีบส่งประเด็นกันมาได้อยู่นะครับครับอทีนี้ก็ประเด็นไหลมาก่อ น, นแล้วมาแล้วน้าส่งมาก็เอา น, ะนี่ไปเลยนะของรหัส6468นะ บอกว่ากายคตาสติกับอาณาปานาสติต่างกันตรงไหนคะนีถามประเด็นนี้มาก็ดีกายคตาสติกับอาณาปานาสตินั้นต่างกันตรงที่ว่าอาณาปานาสตินั้นท่านเน้นเข้าไปภายในเน้นอธิบายลึกละเอียดเข้าไปหาในเป็นหลักขยายความให้เยอะ ในความหมายทางภายในนั่นคืออาณาปานสติส่วนกายกตาสตินั้นท่านเน้นออกมาภายนอกขยายความรายละเอียดของภายนอกเป็นหลักแต่ทั้งสองอันนี้มีทั้งภายในภายนอกเดยกันทั้งคู่กายกตาสติก็คือมีสติแล้วก็ต้องรู้องค์ประจุมของรูปนามอาณาปานสติก็มีสติปฏิบัติ ตลอดที่คุณมีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่าทิ้งกายสรุปอย่างนั้นเลยแม้ที่สุดนั่งดูลมที่หายใจเข้าออกเข้าออกอยู่เห็นลมหายออกหายใจเข้าอยู่อันนี้ก็เป็นกายสัพพกาโยคุณจะต้องเรียนรู้สัพพกาโยไม่ได้เรียนรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นนัยยะลมหายใจเข้าก็ดีออกก็ดีให้รู้จักลิงคะ ความต่างของการเข้าการออกนะหรือความสั้นความยาวนั่นคือในยะของมหาพุทธรูปมีความต่างให้รู้จักลิงคะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้จักลิงคะก็จะรู้เมื่อมีภาษาทรูปมีโครจรรูปกระทบกันแล้วเกิดวิญญาณเกิดกายวิญญาณ คุณก็รู้ความต่างเรียนรู้ความต่างให้ได้ว่ามันจะเกิดสภาวะของสิ่งที่คุณจะต้องอ่านรู้เป็นนามมารูปรูปนินามมารูปนะพอกระทบสัมผัสกันเกิดกายยัวิญญาณหรือเกิดวิญญาณภาษาสามเกิดวิญญาณวิญญาณ น, นี้แหละพระพุทธเจ้าให้อ่านความต่างของภาวะรูปสองคืออิทธิภาวะ กับปุริสภาวะนี่เป็นคำใหญ่รายละเอียดของปุริสภาวะกับอิทธิภาวะนี่ก็จะมีอีกเยอะแยะในสองสองเพศนี่สองต่างนี่นะก็จะรู้ในจนกระทั่งสุดท้ายมันก็เป็นเอกบุรุษเป็นธรรมอันเอกสุดท้ายนะปุริสภาวะสุดท้ายก็เป็นสมบูรณ์เพราะฉะนั้นที่อาตมาพยายามอธิบายตามรูป นะยี่สเนี่ยไล่มหาพุทธรูปนัดตัดเอาไว้ว่ามหาพุทธรูปนั้นไม่ใชกยกายครับมหาพุทธรูปไม่ได้กายมหาพุทธรูปคือรูปรูปอส่วนตั้งแต่ภาษาธรูปมาจนกระทั่งถึงสุดท้ายนั่นก็มีนามมารูปมีทั้งรูปและนามและเน้นนามเป็นส่วนใหญ่อุปาทายรูปยีบสี่เนี่ยครับ แม้แต่ประสาทรูปคุณมีประสาทประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิน้นประสาทกายนะถ้าคุณเองคุณไม่มีประสาทแล้วก็มีจิตไปร่วมกับประสาทตาคุณเห็นรูปอยู่แต่คุณไม่ได้เอาสติมาร่วมเลยคุณไม่ได้เอานามมาทำมาร่วมเลยคุณไม่รับร่วมนามมาทำก็ไปร่วม ตาคุณดจะเป็นมีเป็นจะเพียงทางฟิสิกแสงมันเข้าตากระทบม่านตาคุณไม่เห็นคุณไม่ได้ยินมไม่เกิดกายแวิญญาณเมื่อไม่เกิดกายแวิญญาณคุณก็พิจรารณาวิญญาณที่เกิดนั้นมันเป็นสังขารใดมันเป็นอาการสังขารอย่างไรสังขารขึ้นเป็นสัตว์นรกสัตว์เทวดาเทวดาเทพ โลกียะอย่างไรหรือว่าคุณทำให้มันเกิดเป็นอุบัติเทศุอย่างไรคุณก็ไม่รู้เรื่องไม่มีเวทนาไม่มีเวทนาไม่รู้จักนะสรุปแล้วต่างกันตรงที่ว่าคุณต้องรู้ว่าไม่ได้แยกกันเลยทั้งกายขตตาสติและอาณาปานาสิแต่อันนึงเน้นในอันหนึ่งเน้นนอกเพราะคำว่ากายคตาก็มีนอกแม้แต่อาณาปานาสิก็มีนอกเหลือลมหายใจที่เป็นมหาปุถรรป ไม่ทิ้งเพราะอันนั้นเป็นสัพพกายะสัพพกายะสัพพกายโยคุณจะต้องปฏิสั่งเวทีต้องเรียนรู้สัพพกายโยแล้วอ่านข้างในของกายให้หมดสุดท้ายกระรงาบจิตเฉพาะจิตเท่านั้นอะไรนี้เป็นต้นต่างที่เน้ น, นไปผ่านไปแล้วนะเอาต่อมาจาก9893ด้าสาม ขออธิบายสมัปปทาน4สติปทาน4การปฏิบัติทำอย่างไรครับนะคนเมื่อกี้คนแรก6468นะผู 64, 68, ้หญิงคะคนนี้ครับนะคน98393สมเก้ปทานสี่อาจรมาก็อธิบายไปคร่าวๆนิดหนึ่งสติปทาน4ก็อธิบายไปคร่าวๆนิดหนึ่งแล้วนะเป็นโพกิปักเที่ยทำถ้าอธิบายถ้าปฏิบัติถูกต้องก็เป็นโลคุตรธรรมตั้งแต่ 10, สิสติปทาน4สมัปปทาน4นี่นี่โลคุตรธรรมทั้งนั้น ปฏิบัติอย่างไรคุณจะต้องเข้าใจว่าปฏิบัติอ่านพิจารณาวิจัยแล้วก็ปฏิบัติลดละนั่นคือคุณจะต้องเรียนสติปฐาน 4. สี่สติปฐานสี่คำนี้แหละนะปัตฐานหรือฐานะเนี่ยสติปทานรือกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานะปฏิบัติกระทาตามฐานะ สติปัฏฐานก็คือคุณก็ต้องรู้จักสติทําสติเรียนรู้คําว่าสติคืออะไรสติคือตัวเอาไปปฏิบัติทั้งหมดเลยปฏิบัติกับกายปฏิบัติกับวาทเวทนาปฏิบัติกับจิตปฏิบัติกับธรรมนี่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4ี่คุณต้องปฏิบัติกับกายปฏิบัติกับเวทนาปฏิบัติกับจิตปฏิบัติกับธรรมกายก็ลึกเข้าไปหากายในกาย เวทนาคนลึกเขาไปเวทนาในเวทนานะนานะจิตคนลึกเขาไปจิตในจิตนะธรรมคนลึกเข้าไปทึก ท, ทําในธรรมทั้งโลกุตตรธรรมสุดท้ายนั่นแหละเพราะกายในกายถ้าคุณก็จะกายในกายผิดคุณจะไม่สามารถรู้กายยสังขารคุณไม่จะไม่รู้จักกายวิญญาณคุณจะไม่รู้จักกายะกายะกรรมัน ญ, ญาตากายละลหุตากายะกัมมุทุตานะ กายกะลิที่คือตัวกิเลสเลยกายยกะลิเนี่ยจับตัวกิเลสให้ได้อยู่ในองค์ประชุมนี่แหละกายในกายนี่แหละถ้าคุณไม่รู้จับองค์ประชุมที่เกิดหบอกว่าองค์ประชุมที่มีสัมผัสทั้งนอกและในอยู่ร่วมกันองค์ประชุมเขารู้เรีนามและมันเกิดกิเลสในกายเนี่ยเกิดกายยกะลิเกิดกิเลสกิเลสในกายไม่ใช่กิเลสถ้าเข้าใจว่ากายคือร่างและร่างมันจะมีกิเลสตรงไหนเลยในร่างอืกิเลสมันอยู่กับใจ ใจเลวัอยู่ที่นามะธรรมอย่างนี้เป็นต้นถ้าเข้าใจกลายเป็นร <ll ard. S 2> ่างผิดไปเลยเนี่ยลงทะเลเย่อเย่อเย็นเลยกายกลิคุณก็ทําไม่ได้จะทําให้เป็นกายเรหุตตากายมุตุตาซึ่งเป็นวิการรูปที่ลึกซึ้งจนเป็นกายยกรรมัญญตากายยะปากุญญตาซึ่งกายยกรรมัญญาตากายยะปากุญญตาหรือกายมุตุตาพวกนี้ มันหมายถึงสภาพของเจตสิกสเวทนาสัญญาสังขารกายนี่แหละนะกายสภาพเนี่ยกายและหูตาก็หมายความว่าความเบาของเวทนาสัญญาสังขารมันร่างที่ไหนเหรอมันเวทนาสัญญาสังขารหมวดเจตสิกสามคว่ากายนี่อยู่หมวดเจตสิกสาตั้งเยอะตั้งแยะที่จะไปเปิดพจนานุกรมบาลีไทย ก็ได้ถ้าก็ยังแปลอย่างนั้นไว้กองเจตสิกทั้งนั้นคําคำว่ากายนะกองเจตเจตสิกก็คือ น, น้ำนะไม่ได้เอามาหาพูตตูกมาใส่เข้าไป ด, ด้วยซ้ำไปนะันจึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากความผิดพลาดคำว่ากายคำหนึ่งก็ดีคำว่าบุญอีกคำหนึ่งที่อาตมา ก, กำลังเอาเอาคดีบายหนักตอนนี้นะ เพราะเข้าใจอย่างนี้ผิดมันจึงไม่มีโลกุตรธรรมมันจึงไม่มีพระอริยะติแทจริงประเทศไทยจึงน่าสงสารที่อาตมาจะขออาไปต้องใช้คำว่าดันทุรังจะอยู่ให้มันได้อายุยาวไปถึง1้อห้ปีนี้ก็เพื่อที่จะขยายความสิ่งเหล่านี้จะอธิบายสิ่งเหล่านี้จริงๆเพราะอาตมาเนี่ยจริงจังกับศาสนาพุทธ จริงจังศา ส, สนาอาตมา ถ, ถือว่าอาตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าใครจะจะมาแย่งความเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยก็มาอาตมายินดีต้อนรับจริงนะจริงแต่อาตมาเนใครจะมาว่าอาตมาเป็นลูกไม่ใช่ปรรปธธเป็นลนะูกพระพุทธเจ้าจังพุทธอาตมาเป็นอ่ะอาตมาก็ยินดีต้อนรับเลยใครจะมาเป็นลูกพระพุทธเจ้ารวด้วยมาสิอนหะรือใครเป็นอยู่แล้วก็อนุมนานะ ต่อมาบอกว่าท่านผู้รู้ก็ได้แปลไว้ว่ า, าแปลไว้ว่าคำว่ากายหรือกายานั้นก็คือกองแห่งเจตสิกอยู่แล้วแต่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายไมยโยนิโสเองจึงไปแปลกายว่าร่างกายทั้งทั้งที่กายนั้นหมายถึงกองแห่งเวทนาสัญญาสังขารเช่นกายและหูตาได้แก่ความเบาของเวทนาความเบาของสัญญาความเบาของสัญญขงขารหรือกายกรรมยา ได้แก่ความเป็นงานการของเวทนาความเป็นงานการของสัญญาความเป็นงานการของสังขารกายมุทุตาก็ได้แก่ความแววัยของเวทนาสัญญาสังขารมุทุน่เป็นความเร็วไม่ใช่แววววยต่นั้นความอ่อนเวทนาปรับจิตทั้งจิตนัต่นแหละเจตสิกทั้งหมดนี่แหละเร็วไวมุทุปเราอัตมาปแปลว่าจิตหัวอ่อนหรือเจตสิกอ่อนทั้งใจก็เร็ว ปรับใจหรือปรับเจโตก็เร็วท่านปร mm ับ hmm. ตัวของท่านเองใจของท่านมันปรับได้เร็วจะเป็นอย่างงี้จะเป็นอย่างงี้จะไม่เป็นอย่างงี้จะตายหรือจะเป็นนี่ยิ่งขนาดนั้นได้เลยเป็นอมตะบุคคลแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วจะเอาตายแล้วเอาเป็นได้เลยปรับเปลี่ยนให้ตายปรับเปลี่ยนให้เป็นปรับเปลี่ยนให้เกิดปรับเปลี่ยนให้ดับท่านทําได้เลยแล้วจิตที่ทําให้เกิดนั้นเป็นจิตกุศลทั้งนั้นแล้วถ้าจะดับจิตกุศลของท่านท่านก็ดับของท่าน พระอรหันต์ขึ้นไปท่านไม่มีระจิตอกุศลท่านจิตอกุศลเกิด <c oughs> ก็เกิดไปทำงานท่านจะให้หยุดทํางานแล้วจิตกุศลดับพักหรือตายท่านก็ตามท่านอ่าอย่างนี้เป็นต้นหรือแม่แตกกายะปุบปลายยับปาคุณยตาก็แปลว่าความคล่องแคล่วของเวทนากองเวทนากองสัญญากองสังขารนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่ เป็นพระอนุสาสนีเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึางขอย้ำอีกว่าถ้านเข้าใจคาว่ากายไม่สมาธิแล้วไม่มีความเป็นอริยะได้เลยอย่าไปพูดถึงอาราหัน์ถ้าเข้าใจกายคตาสติหรือคำว่ากายแค่นี้ก็ผิดแล้วก็แยกอาณาปานาสติทกก็ต้องผิดเพราะเมื่อเข้าใจกายคตาสติผิดอาณาปานาสติของคุณก็ผิด หรือสติปฐานสีของคุณก็ผิดใช่เพราะกายในกายแก่ในกายครับไม่รู้ว่าอะไรคือเพ<ล>ราะคุณเข้าใจแม้คําแรกของคําว่าสักกายะทิฏฐิคุณก็เป็นกายของตนเองคุณก็ไม่มีทิฏฐิที่เป็นสัมมาเพราะฉะนั้นคุณจะพ้นสักกายะทิฏฐิสังโยชน์ข้อแรกครับก็ไม่ได้ยิ่งสุดท้ายคุณจะต้องสัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายสําเร็จอินญบทอยู่แล้วก็รู้ว่า อาสวะทั้งกวงสิ้นไปได้เพราะปัญญาเพราะเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ต้องหวัง <c oughs> ก็ไม่ต้องหวังเพราะจะปฏิบัติวิญญาณทิฏฐิสี่เจ็ดหรือปฏิบัติเพื่อที่จะหมดสัตว์ในสตาวาสเก้าก็ไม่ได้เพราะคำว่ากายคำเดียวผิดยิ่งใหญ่ไหมเทศบาพูดานี่ไม่ได้พูดเองนะนี่เอาหลักฐานยืนยันมีทุกอย่างเลย ในปัจจุบันด่งในคําสอนพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะไม่ใช่วาตมาพูดเองเอออาตมาจะพูดสำเนียงเพี้ยนเนี่ยมันไม่จะเพี้ยนหรอกพูดให้มันเปลี่ยนไปเป็นจำนนนิ่มๆนมนน น, นฟังไพเราะไม่เน้นไม่หนักไม่แรงอย่างงี้นี่ทําไงจะทําได้นาะอาตมาเนาะมันคนที่เขาถือสาของเขาไม่ค่อยชอบมันเยอะอแต่อาตมาก็ไม่รู้จะทํำยังไง มันเหมือนแม่ที่รักลูกมากๆจริงใจมันก็จริงใจจริงจังทาไมมันยังงี้ทำไ ม, ม, ำไ ม, มะวะไอ้ลูกเอ้ยทาไมเป็นอย่างงี้โอ้ยาตมาก็ะไรลูกมันก็ไปใหญ่เลยแล้วนะเอ้าอีกอันนึงบอกว่ามาจากสาสาสร า, สาตา์ทิอยุธยาครับคาว่าทำเอกผุดขึ้นคืออะไรครับ<ม>เห็นหลวพ่อพูดบ่อยๆขอท่านขยายความด้วยครับ ไม่รู้ว่าผมสะกดถู ก, ก u, หรือไม่ด้วยครับอ๋อไม่ผิดไม่กไม่ผิดหรอก ท, อทําเอกแลก็อย่างนี้แหละนะทําเอกก็ทําทอรอหันม อ, อเอสเ อ, อกอไก่เอกคํานี้เนี่ยคนอย่าไปแปลว่าหนึ่งอย่าไปแปลว่านหนึ่งแปลว่าเป็นหนึ่งได้แปลว่าเป็นหนึ่งย่อมเยียดยอดย่อมเยียดเออยี่ยมยอด <laughs> ผู้แค่นี้ก็จะสับอ่าอ่าเป็นเอกบุรุษเป็นเป็นเป็นหนึ่งพ้นอิทธิภาวะหมดเลยเป็นเอกอ่าเป็นผู้เดียวเป็นผู้เดียวเป็นเอโกเป็นผู้เดียวนะไม่มีเพื่อนสองย่างนี้เป็นต้นไม่มีเพื่อนสองที่เป็นผู้เดียวของภูติจ้าเนี่ยหมายความว่าไม่มีกิเลสจิตไม่มีกิเลสไม่ได้มาอยู่ผู้เดียว ไม่มีเพื่อนสองเรียกคือเอาตัวตนบุคคลอันนี้มันไม่ใช่ปรมาจรยปรมาจาหมายถึงจิตอย่างนี้เป็นต้นนะคำว่าทำเอกผุดขึ้นก็หมายความว่ามันเกิดลักษณะของธรรมะอันเป็นโลกุตตรธรรมที่สําเร็จผลได้ว่าเอกเอกนะเป็นเอกเนี่ยเป็นเอกกัคคตาเป็นต้นครับเอกกคตาเพราะฉะนั้นเริ่มฌานหนึ่งก็เป็นเอกกคตาแล้ว อาจจะมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีเอกกัคตาการซองก็จะต้องเจริญขึ้นไปอีกนะลดไอ้วิตกวิจารลดปิติสามจนสามก็ลดสุขไปเรื่อยจันสีก็เลืออุบเบกขาเป็นเอกกคตานี่เป็นต้นนี่แหละคือจิตเอกทําเอกผุดขึ้นไปตามลําดับนะอา้าวตอบแค่นั้นแค่นั้นก่อนกักนจากพระอันนี้จากพระนครสวรรค์ อาตมาก็อยากจะได้คำถามจากพระนี่แหละมากๆหน่อยแต่ท่านไม่กล้าเปิดตัวอาตมาว่ามีท่านฟังฟังอยู่บ้างแต่ท่านไม่กล้าเปิดตัวอยากจะถามถามมาเลยนะครับผมยินดีที่จะตอบท่านนะครับพระทั้งหลายจริงจริงใจน ะ, อ, ะอยากจะที่ท่านสนใจในเรื่องที่จะต้องอธิบายดีๆแล้วก็ฟังได้ดีๆท่านฟังแล้วท่านฟังที่ ผมพูดผมบรรยายนี่ผมก็ขอบคุณมากแล้วละ แ, และยิ่งท่านถามมาเนี่ยขอบคุณยกกําลังเลยอขอบคุณยกกําลังเลยถามมาเถอะผมยินดีที่จะคุยด้วยจริงๆด้วยความจริงใจนะท่านชนใจศึกษาดีๆเถอนะนะจากพระท่านถามว่าพระผู้เห็นธ ร, รมโดยธรรมชาติจากความสูญเสียอย่างหนัก เห็นธรมโดยธรรมชาติจากความสูญเสียอย่างหนักจะถือว่าเป็นผู้บรรลุธรรมอย่างปัจเจกหรือไม่แม่ถามมาอย่างสมนุนพระจริงๆเลยต้องตีความโดยเฉพาะเป็นพระสมัยนี้พระผู้เห็นธรรมโดยธรรมชาติจากความสูญเสียอย่างหนัก ก็คงจะหมายความว่าเห็นความสูญเสียอย่างหนักของธรรมชาติเนี่ย้ก็เลยไปมองเห็นธรรมจากแับนั้นจะถือว่าเป็นผู้บรรลุธรรมอย่างปัจเจกหรือไม่ตั้งใจฟังนะครับท่านเป็นพระจะเป็นพระหรือเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ตามนี่ถามว่าพระผู้เห็นธรรมโดยธรรมชาติก็หมายความว่าเห็นจากธรรมชาติที่สัมผัสอยู่ทั้งหมด ธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดอยู่ตลอดทุกอย่างเรียกว่าธรรมชาติปรุงแต่งกันอยู่ทั้งหมดเรียกว่าธรรมชาติาธรรมชาติยังมีสิ่งที่เกิดอยู่เรียกว่าชาติถ้าธรรมะของพระเจ้าแล้วธรรมะไม่มีชาติดับชาติหมดหรือแต่ธรรมะที่ทรงไวและธรรมที่ทรงไวนั้นไม่มีไม่มีความชาติที่เป็นภพ ท่านวิภา ว, วิภาวพบแล้วท่านวิวิภาะท่านไม่มีพบแล้วอย่างพระอริยะพระอรหันเนี่ยไม่มีธรรมชาติธรรมชาติของโลกีไม่มีแต่มีธรรมะที่ท่านอาศัยเท่านั้นเองนะทีนี้อันนี้มันจะลึกไปท่านถามว่าโดธรรมชาติจากความสูญเสียอย่างหนักก็หมายความว่าสิ่งที่ปรุงแต่งธรรมชาติก็บอกแล้วมันปรุงท่านก็พูดถึง องประกอบของอะไรก็แล้วแต่ดินน้าไฟลมต้นไม้ต้นไร่ดินน้ำมันเนา่าดินน้ำอะไรต่างต่งองประกอบของสารโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยขยะเต็มไปด้วยความเนา่าความเสียความสูญนะและท่านก็เห็นธรรมชาติเห็นความสูญเสียของสิ่งเหล่านี้แล้วบอกจะบรรลุธรรมจากสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจเจกหรือเปล่าบรรลุธรรมอย่างปัจเจกหรือเปล่า คำว่าบรรลุธรรมจากปัจเจกอีกปัจเจกนี่คือผู้ที่มีปัจจตังของตนเองเนเฉพาะบุคคลปัจจัปปัจเจกปัจจตังโดยตนเองของตนเองเฉพาะตนเองปัจจตังคุณมีความบรรลุธรรมมีความเกิดสิ่งที่มันเห็นได้เองปัจเจกบุคคล น, นั้น ถ้าแปลรวมๆกลางๆงเฉอๆกไหมายความว่าใครตัวใครตัวมันปจเจกตัวใครตัวมันวางกันเถอะนะมันไม่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับใครนั่นแปลกลางกลางไม่ใช่ภาษาธรรมถ้าภาษาธรรมปจเจ ก, ก็คือผู้ที่มีปัจจตังเวทิตโภวิญญูหิเริ่มต้นเริ่มต้นบทแรกที่คุณมีบรรลุธรรมเป็นปัจจตลักษ์ปัจจตะ ทพตนเนี่ยมีลักษณะธรรมธรรมะเริ่มต้นบรรลุถ้าจะพูดถึงธรรมชาติคือไตรลักษณ์ท่านบรรลุไตรลักษณ์คือบรรลุอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ท่านบรรลุธรรมจริงจริงท่านเห็นอนิจจังท่านลดกิเลส ต, ตัวที่มันยังเกิดไม่เที่ยงได้มันเป็นทุกข์กิเลสมันทําให้ทุกข์จนทําให้กิเลสนี่มันดับ จมเที่ยงความไม่เที่ยงไม่มีไม่มีตัวตนกิเลสเรียกว่าอนัตตาตัวตนไม่มีตัวตนกิเลสไม่มีเห็นแห่งทุกข์นั้นดับทุกข์ดับแล้วก็เที่ยงแล้วไม่มีความไม่เที่ยงแล้วอย่างนี้เป็นปัจจตลักษณะเป็นลักษณะสามที่บรรลุโดยตนเองเป็นปัจจตังเวทิตโภวิยุหิอย่างนี้เรียกว่าปัจเจได้เฉพาะตนมีของตน นี่เรียกว่าปัจเจกเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจปัจเจกเป็นเรื่องที่อธิบายตอนต้ น, นมันหมายว่าจะเกี่ยวบปัจเจกก็ตัวใครตัวมันคนใครองมันก็นั้นคนั้นก็ถูกนี่พูดกลางไม่มีความหมายแต่ถ้าพูดถึงว่าปัจเจกบรรลุธรรมคนนี้ต้องบรรลุธรรมะโลกุตระธรรมของพระพุทธเจา้าบรรลุไตร ล, ลักษณ์ก็เป็นปัจเจกปัจจัลักษณ์เป็นปัจจตังเวทิตโภวิญยูหิของชนเฉพาะตน แล้วก็บรรลุอะไรบรรลุอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่อาจารย์ที่ผมอธิบายคือถ้าเห็นความไม่เที่ยงของธรรมชาติเห็นความไม่เที่ยงของจิตที่มันยังวนเวียนอยู่มันเป็นโลกมันยังไม่หมุนไปหมุนมาจนทําความชาติจิตที่มันพาเกิดอยู่นี่จนมันไม่มีชาติเกิดเลยมันไม่วนเวียนไม่มีโรคมันไม่มีภพมันดับเห็นแห่งทุกนั้นตายไม่มีแล้วตัวตนของกิเลสอนัตตาแล้วจนเที่ยง จนนิจจังทูวังสัตสตังวิปรินามธัตมะมังสะในรังสังุปังอันนี้แหละคือผู้บรรลุปัจเจกอ่าขออธิบายในฐานะเป็นพระถามาาาถามาก็อธิบายธรรมะเข้าไปลึกๆหน่อยก็แล้วกันเอาแค่นี้ก่อนกระไโอ้โหเวลามันจะเลยแล้วนะเนี่ยอ่ออีสองแผ่นนี้ครับก็คงจะไม่ไม่มาอีกเนาะคงจะไม่มาอีกโอ้สองแผ่นนี้ก็มีสามคำถาม 5, 2องหสองบอกว่าเวลานั่งสมาธิทาอย่างไรไม่ให้ฟุ้งคะ่ะถ้าจะทําไม่ให้ฟุง้งคุณก็ต้องนั่งกดข่มมันไว้ให้เก่งๆก็เท่านั้นเองสมาธิที่นั่งใช้วิธีกดข่มอย่างเดียวใช้วิธีกดข่มเขายืนยันจะกดข่มด้วยวิธีกดมันดื้อๆหรือหลอกมันให้แล้วคุณก็ไปกดหรือไปจอ่อไปจด ต่อจดไว้ที่กระสินใดกระสินหนึ่งนิ่งนิ่ง น, ง น, ง น, งนงิอยู่กับแบบนั้นนั่ น, น, น, น, น, น, น, น, นอย่างเดียวนั่คือวิธีนั่งสมาธิหลักตาทั่วไปมันก็ไม่ฟุง้งแต่ถ้าเผื่อว่าจะทําสมาธิแบบพุทธไม่ต้องนั่งคนก็จะไม่ฟุ้งไปกับกิเลกกิเลสไม่พาฟุง้งนะอันนี้ก็ขออธิบายว่าแค่นี้ก่อนอแล้วกันมันลึกซึ้งกว่านี้ทํา ม, มาแค่นี้ก็ตอบ แถมไม่บางนิดหน่อยอทวนเวลานั่งสมาธิเทียนอย่างไรไม่ฟุ้งคะัะนั่งเข้ามากๆกดข่มหรือว่าจดจอ่อ ก, กระสินให้มากๆ ๆ, กๆเท่านั้นเองหยุดฟุง้งพอมาคุณแม่นี่เอารหาัสมาทั้ง6ตัวเนี่ยที่จริงเขาเอารหาัสแค่สตัว8สอง่ศผู้น้อยเคยทำอะไรอยู่แต่ใจลอยสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทำงานฝีมือไม่ได้ไงาน ทุกอย่างต้องใช้สมาธิมีสติตั้งมั่นอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ถ้าไม่มีสติใจลอยก็ทำงานต่อไปไม่ได้การมีสติรู้อยู่ทุกขณะจิตเรียกว่าสมาธิแบบไหนเป็นสมาธิสามัญเรียกว่าสมาธิสามัญที่คุณใช้กับการทำงานก็เป็นการทำกรรมกุริยาการงานกโล ก, โลกธรรมดา แต่การงานของการปฏิบัติธรรมนั้นมันจะต้องมีการรู้เข้าไปในจิตเข้าไปในกิเลสเข้าไปในการทําให้กิเลสลดนี่เรียกว่าการงานปฏิบัติธรรมเพราะในการงานที่คุณทําอะไรอะไรต่างๆนานาพวกนี้นี่แหละคุณถฝึก ส, สติสัพชัญญปัญญาแล้วก็สามารถมีสติสูงส่งเข้าไปถึงขั้นสติสัมปชงเป็นสติที่เข้าไปทํางานแล้วก็มีสัมพชัญญะมีสัมพชานะมีสั ปาราเทติมีอะไรไปอีกตามที่อาตมาเคยขยายความาไปด้วยมันจะมีคุณธรรมของอันนี้ไปไ ด, ด้วยเลยเปน็นสัมปัตสัมปช ม, ม ป, ปิเนี่ย <c oughs> าภาษาอีสานมันจะมีทุกอย่างในของจิตเนี่ยมันจะเข้าไปทำงานร่วมจริงๆแล้วก็ทำงานร่วมด้วยคุณก็ทำงานอะไรไปด้วยแล้วยิ่งมีความมั่นคงทำได้นี่แหละเรียกว่าสมาธิ สมาธิอันนี้เป็นคอนเซนทร์ชันไม่ใช่เป็นเมดิเทชันเมดิเทชันนี่เป็นนั่งหลับตาสกฤตจิอย่างคนที่ถามมาเมื่อกี้ว่า น, นั่งสมาธิแล้วเกิดเข้าไปอยู่ในปวังอย่างนั้นเมดิเทชันรู้กันง่ายสกฤจิตเข้าไปอย่างเดียวเป็นเจตัวสมถะแต่ถ้าปฏิบัติลืมตาตามสมาธิติที่อาตมาพัทยาอธิบายตามพระอนุศาสนีทั้งหมดอยู่เนี่ยขยายความจนกระทั่งตั้งแต่ต้นจนกระทั่งวินาทีนี้ก็ขยายความอันนี้เป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าที่ลืมตาเป็นซุปเปอร์คอนเซนทรชัน นะเรียกว่าซุปราคอนเซนเทรชันมันไม่ใช่มันเป็นซุปรามันเดนมันไม่ได้เป็นมันเดนของโลกีนะขาอภัยใ ช, ภาาใช้ภาษาอังกฤษดัตชริตใช้ภาษาอังกฤษมันเป็นเรื่องของสมาธิที่พิเศษลืมตาซึ่งเข้าใจยังไม่ได้แม้แต่ภาษาอังกฤษเขาก็ต้องใช้งี้คอนเซนเทรชันพิรุคอนเสตนี่เาใช้ลืมตานี่เลอนอย่างนี้คุณทำงานนี่คุณถามมา แต่นี้มันไม่ใช่คอนเซนเตสามันมันเป็นคอนซู c เปอร n คอนเซนเชันและก็ไม่ใช่เมติเตชันเท่านั้นคุณสมาธิแล้วคุณจะไปนั่งสมาธิหลับตาคุณก็ใช้เป็นอุปการะได้เป็นการศึกษาอย่างที่อาจารย์มาเกออธิบายแต่จะใช้ตรงกับผมเปิดอัตมารืปรามไม่รู้น ะ, ะเอาต่อมาห้องสุดท้ายแล้วนี่เลยเวลาเข้าไปหลายนาทีล้สศผู้น้อยนั่งสมาธิแต่บได้นั่งกรรมฐาน ตามแบบบรมครูที่เคยสอนมาแต่นั่งทําสมาธิอยู่กับงานฝีมือเอาคนนั่งสมาธินั่งสมาธิาธแต่บ่ได้นั่งกรรมฐ า, านนั่งทําสมาธิอยู่กับงานฝีมือเอาสติประจจจออยู่กับปลายผู้กันโอ้เป็นนักวาดนักเขียนเพ้นรูปพระแม่ควรอิมไปฟังปอรูไปแบบนี้เรียกว่าสมาธิอะไระสมาธิถ้าจดจ่ออยู่แต่การเขียนเท่านั้น ก็เป็นเมดิเทชันลืมตาใช้การเขียนเป็นกระสินนิ่งอยู่กับอันนี้พิจารณาแต่เฉพาะเรื่องของอันนี้ไม่เกี่ยวกับจิตเจตเสิกไม่ปฏิไ่ได้พิจารณ า, วาเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมตามเลยพิจารณาว่ารูปมันจะสวยยังไงวะรูปมันจะเข้าท่าตามที่ต้องการยังไงแค่นั้นมมอยู่แต่เทคนิคทางลอกเท่านั้นเองมันไม่ได้กขไปหาประมัดเลยก็เป็น สมาธิโลกีธรรมดาแต่ถ้าพยายามเป็นสมาธิเป็นโลกุตระคุณจะต้องรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมและพิจารณาอันนี้เข้าไปจนรู้ตัวสมุทยัยกิเลสแล้วลดกิเลสไปในตัวด้วยจิตก็จะสั่สมลงเป็นเอกกคตาหรือเป็นจิตเอกผุดขึ้นเป็นหนึ่งเป็นสมาสมาธิของพระพุทธเจ้าได้นะเอาละมันเดินเวลาเข้าไปแล้วสรุปโดยไม่มีเวลาครับก็ ผมคิดว่าวันนี้จริงๆแล้วโดยส่วนตัวนะผมได้เห็นธรรมทั้งหมดและเนื้อหารายละเอียดนะครับลองไปดูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระครูไดอาา้อธิบายนะครับโพธิปักขิยธ ร, รรม37ตรงนี้นี่เป็นสิ่งใหญ่มากเลยในองค์ธรรมใหญ่และเห็นว่ามีธรรมใหญ่ๆในชั้นปรมาท น, นนะครับถึง7ลักษณะองธรรมด้วยกันนะครับซึ่งพรอครูดได้อธาาิบายในเนื้อย่อยของ ตัวองค์ธรรมทั้งหลายเนี่ยใน7องค์ธรรมเนี่ยโดยเฉพาะตัวสําคัญอย่างยิ่งนั่นคือตัวสติซึ่งเป็นเหมือนแกนหลักสําคัญที่สุดเหมือนเราร้อยเรียงความเป็นไปของอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยจะต้องมีตัวแกนหลักเป็นตัวที่สําคัญนั่นคือสติแต่สิ่งที่สําคัญนั้นความเป็นไปทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นก็คือการต้องทําความเข้าใจถึงคำ ว, ว่ากายทั้งหมด ท, ทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับผมคิดว่าหลายท่านวันนี้ก็ขยับความเข้าใจมาม า, มากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เหมือนผมเองก็เข้าใจอะไรมากขึ้นมากขึ้นเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นผูกโยงและร้อยอะไรได้มากขึ้นจากที่ฟังทำมามากมายและซักถามพวกครูมาเยอะนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัววันนี้ก็ยังคงไม่สามารถที่จะมาอธิบายและร้อยเรียงได้มากขนาดนั้นแต่ได้เห็นความอัศจรรย์ในการร้อยเรียงและอถาธิบายของพวกครูได้แม้ว่าพวกครูมักจะพูดอยู่เสมอว่าแม้ว่าไม่ได้จบหรือเรียนนะครับในเนื้อหาบาลีหรือประเดยนอะไรมาเลย แต่ผมก็ไม่เคยได้รับความเข้าใจในเนื้อหาปเปลี่ยนในสิ่งที่พรกวัวอธิบายเช่นเดียวกันในทางกลับกั น, นครับต้องกลับขอบพระคุณพระคุณมานำกับถ <สา S 2> ึง น, นะครับหมดเวลาแล้วครับจเจริญทรรมสัมฤทธิีทุกท่า น, นครับก่าบลาไปก่อนครับ